อาจารย์ครับกลาวนัองสแกนครับผมเจริญทรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับกลับมาถึงกรุงเทพแล้วครับอาจารย์เออตอนนี้อยู่กรุงเทพก่อนเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันมือนกัอยู่ในโลกใบเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันสามารถที่จะจัดรายการได้ทุกที่ครับ อาจารย์ครับจะครั้งก่อนครับผมที่ได้ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องสัมมาสติครับก็วันนี้ก็ขอผลของการที่เกิดที่ปฏิบัติสัมมาสติมาแล้วนะครับ<ม>ก็เลยขอพระอาจารย์เมตตาอ่าช่วยอธิบายถึงสัมมาสมาธิครับอาจารย์ครับขอความเมตตาครับผมคือถ้าเรามีสติอย่างต่อเ น, นื่องผ ล, ลก็เราก็จะได้สมาธินี่สามาธิที่เราจะได้นี่มันจะมีสามชนิดด้วยกัน ชนิดแรกที่เราจะได้ก่อนเพื่อนก็คือขณิกะสมาธิคือจิตรวมลงตั้งอยู่ในความสงบผู้เบกขาเชื่อขณะหนึ่งเหมือนนกระจาบกินน้ำนี่คือลักษณะของการเข้าสมาธิใหม่ๆสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้าครั้งแรกสติยังมีกำลังไม่มากพอที่จะ ดึงจิตให้แช่อยู่ในสมาธิได้นานพอเข้าไปถึงสมาธิจิตรวมนิ่งสงบปั๊บก็หมดกำลังก็จะถูกแรงดึงของกิเลสตันหาดิดออกมาทันทีกิเลสตันหานี้จะพยายามดึงจิตหรือส่งจิตให้ออกมาทางตาหูจมูกนิ้กายเพื่อมาเสกเลือกเสียงขีนรถปวดทพสตินี้เป็นตัวคอยดึงจิตให้เข้าเข้าใน แต่สติของผู้ฝึกหัดเบื้องต้นก็ยังมีกําลังไม่มากพอพอมากถึงระดับหนึ่งที่สามารถเร่งเขียนให้เข้าข้างในได้ก็หมดกําลังก็อยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งค ำ, ค, นน ค, คำว่าขณะก็คือหมายคําว่าขณะหนึ่งขณะสมาธิจิตรวมเข้าสู่ความสงมบนิ่งปานูเบขาปราศจากความคิดตุ่แต่แต่แค่แร๊บเดียว อันนี้จะเป็นลักษณะของคนที่เริ่มได้สมาธิครั้งแรกๆจะเป็นแบบนี้เพราะสติมีกำลังน้อยแต่ถ้าพยายามฝึกสติต่อไปเมื่อเห็นผลที่ไดจากการฝึกสมาฝึกสติว่าจะได้ความสมบได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะมีความวิริยะมีความเพียรพยายามมีฉันทะวิริยะ ความอยาความยินดีที่จะเพียงเจริญสติให้มากขึ้นมากขึ้นไปทำแบบนี้อาจจะไปปลีวิเวกมากขึ้นมากขึ้นเพราะเห็นว่าการไปปลีวิเวกนี้ช่วยให้มีการเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องมากกว่าเวลาที่ไม่ได้ไปปลีดิเวกก็จะออกไปปรีวิเวเปปกวเวมากขึ้นไปอยู่คนเดียวมากขึ้นมากขึ้นไปแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายและนิ่ง ไดนานขึ้นไปตามลําดับถ้าจิตเด่งแล้วอยู่แช่ได้นานท่านก็บอกว่าเป็นสมาธิอีกแบบเรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคือจิตรวมลงสงบแล้วตั้งอยู่ได้นานขึ้นท่านไม่ได้บอกว่านานเท่าไหร่ท่านเพียงแต่บอกครันีก้กะเป็นแป๊บเดียวส่วนอะไรที่เกินแป๊บเดียวว่าคงจะถือว่าเป็นอัปปนา ข <c oughs> นาดแช่ได้ห้านาทีก่อนสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่อันนี้ก็อยู่กำลังของสติที่เราได้ปัฒนาถ้ามีสติมากมันก็จะอยู่ได้นานอันนี้ก็สมาธิชนิดที่สองเรียกว่าปนาสมาธิที่หนึ่งที่สองนี่มีคุณสมบัติเหมือนกันต่างตรงที่ ระยะเวลาที่อยู่ในสมาธิเนี้ต่างกันคณนน้กะอยู่แป๊บเดียวหนึ่งขณะแบบนกกระจาะ ก, กินน้ําหรือฟ้าแลบอะไรทำนองนี้งูลแลบลิ้นอ่านในทางคอมภีสำหรับ ป, ปนาสมาธิก็จะเป็นสมาธิที่สงบได้นานทีนี้มีสมาธิชนิดที่สามที่เรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติจะแปลว่าเขาพ้อเขาว่ า, อ, าอุ ป, ปะมันมาถึงกําลังจะเข้าถึงก็จะแปลว่าสมาธิยังไม่เข้าถึง อ, อัปปนายังไม่เข้าถึงสมาธิสมาธิที่กําลังจะเข้าถึงแต่ทางปฏิบัตินั้นท่านท่านบอกไม่ใช่ทางปฏิบัติคือเป็นสมาธิที่เข้าถึง อ, อัปปนาแล้วแต่ไม่ยอมอยู่ในอยู่ในสมาธินั้นไม่ยอมนิ่งอยู่กับ อุเบกขาแต่จะถอนออกมาเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถอนออกมาสู่จิตระดับธรรมดาแต่ถอนออกมาสู่สู่มิติหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทินศที่เราสามารถที่จะติดต่อกับกายทิศต่างๆได้นี่คืออุปจารสมาธิสมาธิที่พระเจ้าทรงใช้เวลาแสดงทำโปรดเทวดาทั้งหลาย ถ้าอยู่ในอปนาสมาธินี่มันจะไม่ติดต่อใครถ้าเป็นมือถือก็ปิดเครื่องแต่ถ้าเป็นมือถือถ้าเป็นอุปจารสมาธิก็เป็นมือถือที่เปิดเครื่องไว้ต่อต่อรับสายจากผู้อื่นได้ติดตามกับผู้อื่นได้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นชนิดที่เารเรียกว่าอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่เราจะมีอภิญญาต่างๆเกิดขึ้นได้ บางท่านอาจจ ะ, ะเล่ารื่ชาติได้บางท่านอาจจะอ่านวารัจิตของผู้อื่นได้ในความคิดของเรานี่ <Yeah. S 1> เราเชื่อไม่ว่าเป็นเรากําลังคิดทุกครั้งที่เราคิดนี้เราเหมือนกระส่งกระจายเสียงออกมามืนสถานีวิทยุที่กขาส่งกระจายเสียงออกมาตามขึ้นวิทยจิตเราก็มีกระแสะวิทยมีกระแสะขึ้นที่ส่งสัญญาณความคิดของเราที่ใครมีเครื่องรับก็สามารถรับฟังได้ คนที่มีประ च าราสมาธิบางคนก็จะรับฟังความคิดของเราได้อันนี้ครูบาอาจารย์บางรูปเนี่ยท่านบางทีไปถึงไม่ต้องถามท่านตอบก่อนที่เราจะถามเพราะท่านได้รับความคิดของเราไปเขาคิดของเราไปถึงจิตของท่านก่อนนะจิตท่านได้ได้รับรู้ได้รับฟังแล้วว่าท่านเราอยากจะถามอะไร พอไปตอนบันที่ไปพููไปพูดท่านปั๊บยังไม่ได้ให้ถามเลยท่านพูดออกมาก่อนนะท่านท่า น, านพั ก, อ, กอนอันนี้ก็เรียกว่าความสามารถพิเศษในเรื่องอัพเพญามีหลายแบบด้วยกันว า, าระ จ, จิตและรสชาติได้ติดต่อกับกายทิศได้ส่วนเรื่องของอย่างอนนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่ใจที่ว่าเหเหินเดินอากาศได้นำดินได้อันนี้ไม่ทราบว่าเป็น เป็นสิ่งที่เขาเสริมขึ้นมาเพื่อให้มันดูแล้วมันเป็นเต้นหรือบปาไม่ทราบแต่เท่าที่เข้าใจเท่าที่ทราบนี่ก็มีในลักษณะแบบที่อนักชาติได้อ่านนาจิตของผู้อื่นได้ติดต่อกับกายทิศได้กายทิศ น, นี้ไม่ใช่สเฉพาะเทวดานะพวกเปรตผีก็ก็ คนที่ตายไปแล้วกับวิญญาที่ตายไปแล้วนี่ที่ยังไม่ได้ไปเป็นเทพนี้ก็สามารถที่จะติดต่อครับผู้ที่มีอุปจาระสมาธิได้นะนี้สมาธินี่แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสัมมาอีกส่วนหนึ่งว่ามิจฉาสมาธิที่อุปจาระนี้ถือว่าเป็นมิจฉาสมาธิคือเป็นสมาธิที่ ไม่ถูกต้องต่อการเจริญมรรคเพื่อให้สู่ให้เข้าสู่การหลุดพ้นด้วยปัญญ า, าว่าอุปจารสมาธินี้จะไม่มีกําลังของอุเบกขามาสนับสนุนปัญญาเวลาที่พิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอสุภะพิจารณาสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวต่างๆแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าไม่มีอุเบกขาจะไม่ชอบจะไม่ยอมพิจารณาเรื่องอสุภะเรื่อง ปฏิกูลัยตะแล้วก็อีกสองสมาธิก็คือคณิกากับสมากับอัปนานี่ถือว่าอยู่ในกลุ่มของมิตรของสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่หกตั้งแต่คณิกาก็ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะเป็นเหมือนเด็กนี่สงบได้แค่แวบดเดียวอุเบกขายังยังไม่ได้มาก มีอัปนาสมาธินี้ที่เรียกว่าเป็นสมาสมาธิยิ่งแช่ได้นานเท่าไหร่โอเบกขายิ่งมีมากขึ้นแล้วจะทรงติดอยู่กับจิตหลังจะออกจากสมาธิมาถ้ามีอยู่ในสมาธิได้นานโอเบกขาเวลาออกมาก็จะมีโอเบกขาอยู่ได้นานเวลาไม่โอเบกขานี่ให้ดูอะไรได้ยินอะไรได้ฟังอะไรใจจะเฉยใจ ใจจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยอารมณ์รักชังโกรธอ น, นันต์เป็นจิตที่เหมาะกับการพิจารณาทางปัญญาว่าเราจําเป็นจะต้องพิจารณาในสิ่งที่เราไม่ชอบกันคือความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยการ พ, พรากจากกันหรืออาการ32ของร่างกายโดยเวลารับประทานอาหารก็พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหาร หรือพิจารณาซากศพสิส่งชนิดถ้าไม่มีอุเบกขานี้จะพิจารณาไม่ค่อยออกยังไม่ยอยากพิจารณาพิจารณาอาจจะได้แค่แวบสองแวบก็ไม่เอานะเพราะมันรู้สึกไม่สบายใจแต่ผู้ที่มีอุเบกขาจะอัปปนาสมาธิมานี้จะสามารถพิจารณาดูได้อย่างเฉยเฉยยังไม่รู้สึกสะทกสะท้านเดือดร้อนแต่อย่างใดการพิจารณานี้ทําไมต้องพิจารณาให้นานให้บ่อย เพราจะได้ฝังอยู่ในใจ น, นั่นเองอะไรก็ตามถ้าเราคิดเพียงแว บ, บเดียวเดี๋ยวเราก็ลืมนะใช่ไหมเวลาเรียนหนังสือเนี่ยไปฟังครูเลคเชอร์แล้วก็ฟังแด้แวบๆบแต่เราต้องจดไว้ละในเวลากลับมาบ้านเราก็ต้องมาทบทวนอยู่เรื่อยๆว่าจนกวเราจะจําได้ว่าที่อาจารย์พูดนั้นพูดอะไรไปบ้างพระเดี๋ยวเวลาไปสอบเนี่ยอาจารย์จะถามความรู้เหล่านี้จากเราว่าเราจําได้หรือเปล่านันเอ อันนี้ก็แบบเยียการเจริญปัญญาก็เป็นการศึกษาความรู้ที่ใจเรามัจากจะปฏิเสธไม่ยอมมองกันคือด้านลบของชีวิตเช่นความแก่ความเจ็บความตายความสูญเสียการพลาดจากกันความประสบกับความผิดหวังต่างๆอันนี้ใจของจะปฏิเสธไม่ยอมมองเลยทำให้ใจมองไม่เห็นสภาพความเป็นจริงที่แท้จริงเพราะในโลกที่เราอยู่นี้มันมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ใจเรานี่จะถูกกรเด็นให้เดินไปดูแต่ด้านดุแต่ไม่ยอมให้มองในด้านลบพอเราไปเจอด้านลบของชีวิตเราก็เลยทุกข์กันเสียทศร้าโศกเสียใจเป็นมากกันข่าตัวตายกันเนี่ยเพราะว่าไม่ยอมมองด้านลบของชีวิตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นลและอาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วท่านี้ครับทุกๆกคนแต่ถ้าเรา มีมีสมาธิมีอุเบกขาเราก็จะได้พิจารณาด้านลบต่างๆของชีวิตได้อย่างยาวนานจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจเราไม่หลงไม่เลงแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวรับกับด้านลบของชีวิตด้วยกำลังของอุเบกขานี่แหละทำใจให้เฉยแล้วด้านลบอะไรต่างๆได้เกิดก็เกิดไปไม่เป็นปัญหาอะไรยิ่งถ้าเรามีปัญญาเห็นว่า เราไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นกับร่างกายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราผู้รู้ผู้พิจารณาทรามแล้วก็เป็นเพียงแต่เป็นผู้รับรู้ผู้ดูความความความสูญเสียความเสือ่อมความดับของสิ่งต่างๆของทั้งทั้งทั้งร่างกายของเราและร่างกายของผู้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันแล้วก็ยากกันดับไป ขมีท่นั้นเป็นเรื่องของภาวะของธรรมชาติส่วนจิตผู้รู้นี้ไม่ได้ไปคิดว่าเป็นตัวสินต่างเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานะก็เลยไม่ไม่ยึดไม่ติดไม่มีความอยากที่จะให้มันเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดพร้อมที่จะให้มันไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าถึงเวลามันจะไปก็ปล่อยให้มันไปถ้ายังอยู่ก็ดูแลมันไปทั้งนั้นเอง จิตก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเครียดกับการดับของสิ่ ง, งตา่างๆนี่คืออัปปนาสมาธิที่เราจะต้องพยายามหมั่นเจริญให้มากๆพอเราได้สมาธิครั้งน้าแล้วเราก็ต้องพยายามเจริญสติเวลาออกมาก็เจริญสติตอบสนจนกว่าเราจะมีความชานาญสามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายรวดเร็วแล้วก็อยู่ได้นานอันนั้นแหละ หลังจากนั้นพอเราออกจากสมาธิมาเรามีอุเบกขาติดมากับใจเป็นเวลานานเช่นอยู่ในสมาธิครึ่งชั่วโมงเราก็จะมีอุเบกขาครึ่งชั่วโมงตอนนั้นเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆอนนี้จังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดพ า, ากันร่นางกายไม่สวยไม่งามมีอาการ32เวลาตายก็เป็นซากศพที่เน่าเหม็น พิจารณอยู่เรื่อยๆจนมันไม่หลงไม่เลยจนยอมรับความจริงแล้วก็เอาไปพิสูจน์วารับความจริงได้หรือไม่ได้โดยการแยกกันอยู่ใครรากใครชอบกันอะไรก็สมมติว่าตายจากกันสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เรือเดือนนึ่แยกกันไปอยู่ส้อ ม, มอกันต่อนซ้มดูว่าเองเวลาที่แยกกันจริงๆนี่จะรู้สึกสะเทือนใจไหม อันนี้พิจารณาแล้วยังต้องไปทําข้อสอบต่อปัญญาที่มีแบบเป็นสองระดับระดับแรกคือทํากันบ้านก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนถ้าเป็นน้องักบวยก็ชกซ้อมไว้ก่อนก่อนจะขึ้นเวทีไปชิงชิงเข็มขัดชิงตําแหน่งถ้าไม่ซ้อมไว้ขึ้นขึ้นเวทีก็โดนนับทันทีถ้าไม่มีปัญญาไม่ทํากันบ้านไว้ก่อนพอเจอข้อสอบสอ บ, สอบตบ อสูญเสียอะไรไปนี่เศร้าโศกเสียใจน้องห่มรลองไห้พอไม่ได้เห็นคนที่เรารักเราชอบแค่วันสองวันนี้ก็เติ่นเต้นตกใจเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าหายไปหรือเปล่าเป็นอะไรไปหรือเปล่ามีความว้าวุ่นขุนเมขึม้นมาทันทีแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีใบขาจะไม่โกกไม่กังวลนะก็อาจจะกังวลแต่ไม่ได้กังวลแบบ จ, จิตใจกินไม่ได้นอนไม่หลับไรทนันทีนล้วไม่ใช่ ก็ยังมีความหงอใหญ่แต่หงอยใหญ่ด้วยอุเบกขาก็ไม่เห็นหน้าก็อาจจะต้องตามตัวดูติดต่อด้วยไรทำนองนั้นแต่ไม่ได้หวาดกลัวหวาดว่าจะอะไรจะเกิดขึ้ น, มนไม่เกิดขึ้นเพราะเตรียมรับได้ทั้งสองรูปสองคำตอบถ้ามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้นมันก็เป็นความจริงนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมันก็เป็นความจริงตั้งแต่ความจริงเป็นยังไงคนมีอุเบกขารับได้ทั้งสองด้าน แต่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบของชีวิตแต่ก็ไม่ปล่อยประละเลยหนะ้าที่ความรับผิดชอบถ้าเรายังต้องดูแลกันไปก็คอยดูแลติดตามาว่าอยู่เป็นยังไงสาวทุกสุดเด็ดเป็นยังไงขต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างไรนะอันนี้ก็ทําไปตามหน้าที่แต่ใจไม่ได้วุ่นวายไปกับการทําหน้าที่พอพร้อมที่จะรับ ความเป็นจริงที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ได้อันนี้คือเรื่องของสมาสมาธิต้องฝึกอปปนาสมาธิให้ได้มากๆก่อนแล้วก็มาพิจารณาความจริงด้านลบของชีวิตให้มากๆจนจิตยอมแล้วพิจารณาความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรา ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราใ น, นี้อนิจจังแล้วก็อนาัตตานอนัตตาก็ไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ทุกวันเนี้ยที่เราเรียกเป็นของเรามันก็เป็นของเราชั่วคราวจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้อันนี้คือทําการทํำการบ้านทําคอยสอนใจเตรียมใจให้ปล่อยวางทุกอย่างให้ได้ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดกับสิ่งทั้งหายเพราะวันใดวันหนึ่ง จะต้องมีการสิ้นสุดลงแล้วถ้ายังไม่ถ้ามาถึงเวลาพรา้อมอยากจะดูว่าทดสอบดูว่ายอมนับจริงหรือไม่ก็ต้องไปไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวอยู่แบบคนสิ้นเนื้อประดาตัวคนที่แบบไม่มีอะไรเนี่ยมอว์ไปอยู่บนเขาไม่ได้เอาสมบัติอะไรติดตัวไปเลยเอาแต่ร่างกายไปร่างเดียวแล้วก็เริ่มจริส่งใจที่จาเป็นเลกน้อยม้อนกระเสือมุ่งอะไกัน เราดูซิว่าจะอยู่แบบนั้นไปได้นานสักเท่าไหร่ถ้าอยู่แบบสบายเไม่ก้วาวสุดแฮปปี้ไม่อยากจะกลับบ้านก็ถือว่าผ่านถ้าไปแล้วยังโ่ม บ, บ้ า, น อ, ากกนอยู่ยังกังวลอยู่ยังยากทำไก็ยังถือว่าสอบตกอยู่ปัจจัยยังสมาธิต้องเป็นอปันปปนาสมาธิเท่านั้นที่จะมีอุเบกขาที่จะสนับสนุนการเจริญปัญญา เพื่อให้จิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความยึดติดเกิดจากความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นของเราไปตลอดให้อยู่กับเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดซึ่งมันขัดกับหลักความเป็นจริงของชีวิ ต, ตอาจารย์พูดคำว่าสิ้นเนื้อประดาตัวนี่เข้าใจเลยครับอาจาร <laughs> ย์คนหัวนี่คนหนวนี่ก็เาไปคนสิ้นเนื้อประดาตัว น, น ภาษาฝรั่งาษาฝรังก็เลย homeless คนที่ไปบวชเนี่ยคารวาลเป็นผู้ householder ผู้อยู่บ้านผู้คําเรือนกับนั่งบวชก็คือผู้ผู้ไรไรไรบ้านไรที่อยู่าใส่ตอนอยู่วนเขารู้สึกอย่างนี้จริงๆอาจารย์ไม่พู่งอะไรลให้พึ่สติปัญญา สองตัวนี้ถ้ามีสติปัญญามีมวิเบคขาแล้วจิตนั้นอิม่มันไม่หิวแบบอะไรมันไม่ต้องมีอะไรแมาจะนร่างกายมันก็ไม่กังวลเพราะมไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปอาจารย์ครับจะต้องฝึกฝนนานปั๊ปา น, ปนขนาดไหนครับถึงจะได้สัมมาสมาธิครับอาจารย์ชันทิ่ติโกแต่ละคนนี่มันความเพียรไม่เท่ากันของเก่ามามีไม่เท่ากันบางคนของเก่ามีมาเยอะเพียรตั้บเดียวก็ได้ พระพุทธายับอกว่าเจ็ดวันบ้างเจ็ดเดือนบ้างหรือเจ็ดปีบ้างเนี่ยบอกไปอ่านตรงท้ายสูต ร, ร, ตรถ้าสูดคำว่าสติปฐานสี่เดีวพะบอกถ้ผู้ใดปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้ได้ก็สามารถที่จะบรรลุถึงธรรมถ้าไม่ขั้นสูงสุดก็ขั้นขั้นที่ขั้นเราออกมาภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีอยู่ที่ความขยายามมันเพียง ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติอยู่ที่ทุนเก่าที่มีอยู่แล้วบางคนมีทุนเก่าเยอะมาเพิ่มทุนบางคนไ ม, ไม่มีทุนเก่าเลยก็ต้องเหนื่ยหน่อยต้องทํามาก เ, เพราะชาติก่อนของเราของเราพวกเราแต่ละครนิสสะสมทำมามาไม่เท่าเทียมกนะันยังเป็นเหมือนบัวสี่เหล่าเนี่ยถ้าเป็นพวงบัวเบาเหล่าแรกเนี่ยแสดทงทําข้างหน้า พักสองครั้งก็บรรลุได้เลยพระปัญจวัคคีย์ทั้งหน้าแสดงธรรมก็บรรลุปเป็นท้าวสดาวันหนึ่งลกพอแสดงครั้งที่ครั้งที่สองและครั้งที่สามแสดงอา น, นาตลักษณะสดับบรรลุปเป็นพระแล้วพร้อมกันหลห้ารูปเพราะท่านนี้ของเก่ามาเยอะท่านมีอภปนาสมาธิท่านก้าช า, านกันได้พอทรงสอนพวกนี้หมดไปแล้วก็ไปสอนพวกที่ไม่มีชัน สอนให้เขาฝึกสติให้เขาฝึกนั่งสมาธิให้เขามีฌานให้มีอุเบกขาแล้วก็ให้เขาเจริญปัญญาต่อไปแล้วก็ไปสอนพวกที่ยังไม่ยังไม่มีสี่คือยังไม่ได้บวชยังไม่ได้เป็นนักบวชยังเป็นฆร า, าวาสผู้กองอยู่แต่ก็มีศรัทธาความเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องของการเกิดคนก็สอนให้เขาทําบุญทาทานแล้วก็รักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานไปก่อน แล้วก็ให้ค่อยวันพักมาถือศีลแปดแล้วก็ไปหาดาวนาบัวสามเหล่าส่วนบูวเราที่สี่คือพวกที่ไปเข้าบานเข้าป่าที่ท่านไม่ไปยปล่อยท่านไม่ไปแสดงทำแถวบริเวณเอบาร์หรือที่มีแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยมีคนดูกันเยอะแยะเลยเป็นครึ้นขึ้นล้านขึ้นแสนไม่ไปแสดงทำในสถานที่เหล่านั้นคนเหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่ไม่มีความเข้าใจถึงเรื่องของ ของธรรมะเรื่อ ง, งจิตใจเราจะเสพการเพียงอย่างเดียวเราจะหาความสุขจากการเสพการจากการไปดูไปฟังไปดื่มไปกินไปเดินไปเที่ยวไปอะไรต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกบัวที่อยู่กับคนกับปมที่จะไม่มีวนันที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้เพราะจะการเปนอาหารของกูของปลาไปก็คือกิเลสต่างหาเอาไปกินโมดโดนกิเลสตัาหากาไปกินโมด เห็น้เนี่ยดูว่าคนที่ทำง า, านขยันหาเงินหาทองแล้วรวยแบบรวดเร็วอย่านี่มีพวกเศรษฐีออนไลน์เยอะนะแล้วพอพอระโพน์วันนี้เขาไปซื้อรถคันสามสิบล้านเมื่อหาเงินมาได้ตั้งหลายหลายร้อยล้านไม่รู้จักไปใช้อะไรก็ซื้อของแพงๆไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องนั่งแบบฟร์สคาสแบบตัวใบละสองแสนอะไรอย่างนี้เป็นห้องของตัวเลยส่วนตัว เป็นการเป็นรางวัลของชีวิตนั่นก็คือที่ว่านั่นคือความสุขของของการได้มาเป็นคนรวยได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นคนนั่งคนรวยแต่เขาไม่ได้มองว่าต่อไปเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาจะตายนี่จะเป็นยังไงบ้างตรงนี้ไม่คิดและไมกล้าคิดแล้วก็ไม่กลา้าไม่กล้าเข้าหาแสงสว่างแห่งธรรมก็น่าสงสารคราวนี้ก็อาจจะมีความสุขฉลองกัน อยาปต้องราร์ตี้กันเฮากันพูวิลล์ลงวิลล่าไไปเที่ยวเกาะนู่นเกาะนี้กันจนหสนานกันเดี๋ยววันดีคดีพอมันทำไม่ได้นะตอนนั้นมันก็จะเห็นกับทุกถมเข้ามาเหมือนเหมือนกับแดนสไลด์ lide, แผ่นดินถล่มกาบทุกมันจะเข้ามาแบบแผ่นดินถล่ม รอบนี้ได้อยู่บนเขานี้สร้างสติได้เยอะพอสมควรเลยครับอาจารย์เพราะรว่าทั้งทางขึ้นทางลงทางเดินมันยากมากเท่าทางจงกรมพระอาจารย์ทำไมยกสูงเพราะต้องการให้สร้างสติหรือเปล่าครับอาจารย์ก็มันเป็นสถานที่มันรังคับให้ต้องทําอย่างเงี้ยอทางที่มันต้องให้มันได้ระดับไม่ให้มันเองเองขึ้นเองนี่มันเป็นเขาเนี้ยไหมที่มันไม่ราบด้วยนะก็เลยต้องยกทำให้มันเป็นสะพานลอยอย่างเงี้ยเป็นทางเดินทางดุ่มลอยฟ้า ทางเดินจงกรก็ลอยฟ้าได้าาถ้าเราไปอยู่ในสานที่ที่มันที่มันไม่ลากมันไม่เรียบก็ลองทำเป็นเป็นทางดดินยกระดับไปยิ่งทําให้ต้องสร้างปิติเอาไว้ยิ่งดีด้วยเพราะว่ามันสูงครับดีมีช่างเขาบอกน่าจะทํำราวกั้นก็ไม่อยากทำเลยทำราวกั้นทำไมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับมัน<ด>ีมันปลอดภยัยกันไปครับ เพราะครูบาอาจารย์บางรื่องในในประวัติที่ท่านเจียนไว้บางทีท่านนั่งสมาธิแล้วสับประหนงเนี่ยท่านก็ไนั่งที่หน้าเหวไปเลยตัดเทวไปเลยสับประหนงมันหัวมันจะได้ทิ่มลงไปเลยแต่ว่ามันอยู่ในที่หนึ่งแล้วสัญชาตญาณมันจะไม่มันไม่่วงทันทีมันจะเติอตัวระมันระหว่างกันทีครับที่ท่านเอาไปหาที่ปับเปรี่ยวๆอยู่ก็เพราะเป็นเป็นการปลุกกระตุ้นสัญชาตญาณของความระมัดระหว่างให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องมาคอยบังคับให้มีสติมันจะมีสติเพราะท่นมัน่งแต่ถ้าเราอยู่ที่ปลอดภัยนี่มันไม่ยอมตั้งสติมันเถอะมันใจมันลอยมันปลอดภยัยไม่ต้องกังวลไม่ต้องผ่วงก็ทอบทําอะไรผิดๆถูกๆไงเดินไปบางทีก็เตะไอ้นูน่นเตะไอ้นี่ชนไอ้นู่นชนไอ้นี่นี่นะคืลักษณะของการไม่มีสติแต่ถ้าไปอยู่อย่างที่คุณหมาไปอยู่รับรองได้ว่าสติมันตอต่อเนื่องตลอดเวลาถ้ามีการเคลื่อนไหวใช่ครับ คลานไม่ได้เลยครับอาจารย์ครับขอขอบพระคุณนะครับนลก็จะน้อมนําไปปฏิบัติให้มากขึ้นต่อไปครับผมจะขอการถามจากคาถาม เ, เพื่อนๆบ้างนะครับคุณก้าเดินต่อไปครับการน้อมสักาสการพระอาจารย์ครับถามสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งจะทําอย่างไรให้เลิกนิสัยรักสวยรักงามเลิกซื้อเสื้อผ้าที่สวยถูกใจได้อย่างเด็ดขาดคะคือเราก็ต้องมองว่าร่างกายของเราเนี่มันเป็นกองขยะดีๆเนี่ย คือเป็นหนังเป็นถุงพลาสติกแล้วก็ห่อของสกปรกอยู่ข้างในถุงนั้นร่างกายของเรานี้เป็นมีถุงหนังเป็นมีหนังล้อมรอบใช่ไหมมีหนังล้อมรอบแล้วก็เป็นเหมือนถุงหนังใบนึ่งมันกระเป๋าหนังโซโล่ว่างกาเรเป็นกระเป๋าหนังแล้วสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าหนังนก็มีอวัยวะต่างๆมีกระโหลกศีรษะมีกระดูกมีโครงกระดูก มีตับมีไตมีลำไส้มีหัวใจมีปอดมีแล้วก็มีน้ําชนิดต่างๆน้ําเลือดน้ําเหลือ ง, อ, งอะไรต่างๆมันเต็มไปด้วยของไม่หยาดนะ เ, นเรียกปฏิกูลของไม่สวยไม่งามนะก็ลองนองท่องคาถาที่พระเจ้าสอนให้ทนองกนเองอาการ32อายังโคเมกายูกายของเรานีแล้วเรื่อตอนต่เรื่องบนแต่พื้นท่าขึ้นมาเรื่องต่ำแต่ปลายผมลงไปนะ มีหนังเป็นผุ้มห่อเป็นที่สุดยอกมีอาการต่างๆมีผงมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังแล้วก็มีเนื้อใต้หนังก็มีเนื้อมีเอ็นรัดกระดูกมีคอกระดูกมีปอดมีไตมีตับมีหัวใจมีลำไส้มีสมองศีรษะมีอาหารใหม่อาหารเก่ามีลำไส้ แล้วก็มีน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ํำสเล็กน้ําดีน้ําเหลือดถ้าอยากจะเริ่มนักความนิสัยสวยงามนี่น่าจะลองท่องคาถานี่ดูนะเราไปเอาเป็นภาษาไทยนะไม่ต้องเป็นภาษาแต่ก็จะมาทั้งสองภาษามีทั้งมาคู่กันนะให้ท่องคู่ถ้าไปตามวัดปฏิบัติก็จะให้ท่องคู่กับเกศาคือผมโลมาคือขนนคาคขาคือเล่นแล้วก็นึกถึงภาพเห่านั้นถ้ายังมองไม่เห็นก็ไปเปิดหนังสือ anatomy ดู เป็นนักศึกษาแพทย์จนต่อไปเราก็จะไม่รู้สึกว่าร่างกายของเรานี่ของใครสวยงามเราจะ ไ, ไม่ต้องไปแข่งความสวยงามกับคนอื่นเพราะอยากจะแข่งสวยงามก็ปล่อยเขาแข่งไปเขาก็เพียงแต่ตกแต่งไอ้ไอกระเป๋าหนังใบนี้มันดูสวยข้างนอกเท่านี้ถ้าไปเปิดกระเป๋าหนังเข้าไปข้างในมันลองไปถามหมอสิเวลาคนไข้ไปให้ผ่าตัด น, นี่เป็นยังไงบ้างเหมือนกันหมดเหมือนกัน อย่างเราขาดปัญญาเราขาดปัญญาในเรื่องของสรีละร่างกายของเรานั่งมองเห็นเพียงแต่ภายหน้าเห็นแต่ตัวกระเป๋า น, นั่นเองแต่เราไม่เห็นของที่เก็บอยู่ในกระเป๋าสมมติว่าถ้าคุณมีกระเป๋าสวยๆราคาแพงๆแต่พอเปิดกระเป๋ข้างในมีแต่ขยะนี่เป็นยังไงเก็บแต่ขยะอัน น, นี้ก็เป็นลักษณะ น, น, นั่นกายของเรา เราเราปรุงมันเราปรุงแต่งมันด้วยวิธีการต่างๆให้มันดูสวยดูยงามแต่เราไม่สามารถไปอของของขนของที่สกปรกที่มีอยู่ในร่างกายที่ทิ่งไปหมให้มันเป็นร่างกายกลวงนี้เป็นไปไม่ได้นะยังไงของที่เป็นปฏิกูลทั้งหลายก็ยังต้องมีอยู่ในร่างกายเพราะขาดของปฏิกูลอหลนี้ร่างกายก็อยู่ไม่ได้ ถ้าลองดูบ่อยๆแล้วต่อไปเราจะเฉยอาจจะไม่ได้ไม่หลงรุ่มหลงไปกับความสวยความงามของร่างกายแล้วก็จะอยู่แบบสมมาตเรียบง่ายเสื้อผ้าก็ไว้สําหรับพุ่มห่อร่างกายนะเนี่ยปกปิดเอาไวว่าไว้ป้องกันภัยจากความความหนาวความน้อนหรือแมลงศัตรูต่อยของมีคมต่งางๆที่อาจจะเ้าไปถูกขาอาจจะอาจจะทําให้เกิด แผลขึ้นมาได้ก็เลยต้องมีเครื่องนุ่งห่มมีรองเท้าเลยแต่ใส่เพื่อปกป้องเพื่อสุขภาพไม่ได้ใส่เพื่อเสริมสวยตามงานของร่างกายที่สมบูรณอันนี้ปฏิคูลอันนี้ข้อหนึ่งนะข้อสองข้อสองบอกว่าขณะที่ทําสมาธิเมื่อลมหายใจหายไปแล้วเหมือนไม่มีที่เกาะให้ดูลมแล้วถ้ามีแสงปรากฏขึ้นมาต้องทําอย่างไรคะไม่ต้องดูอะไรให้ให้ใ ห, ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ให้ดูเฉยๆดูความมากไป แล้วก็ดูว่ามีความคิดหรือเปล่าไม่ต้องตามดูอะไรถ้ามีแสงก็ไม่ต้องไปตามแสงให้รูว่าถ้ามีความคิดหรือไม่มีความคิดถ้าไม่มีความคิดจิตนิ่งเฉยๆว่างๆก็ไม่ต้องทำอะไรให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆคำถามจากคุณสมพรครับ ยมโชค ด, ดีจังเลยที่ได้คําสอนพระอาจารย์ทําให้นํามาปฏิบัติในการดํารงชีวิตประจําวันทําให้ดำเนินชีวิตได้ถูกทำและมีความสงบมากขึ้นน้องกลับปุจฉาพระอาจารย์การตักบาตรการทําสังฆทานมีความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรครับคือความการตักบาตรนี่เป็นการถวายอาหารพัะตาหารได้กับพระอันนี้เป็นวิธีหลักพระต้องรับประทานอาหารบหมืญาติโยมนี่พระอาจรยก็สอนให้พระ เลี้ยงชีพด้วยการบินธบาติเมื่อพรมีหน้าที่บินธบาติญาติโยมก็มีหน้าที่ใส่บาตรทีนี้บางทีญาติโยมอยากจะทําบุญพิเศษเช่นในวันเกิดหรือ ว, วันอะไรน่าคว่าใส่บาตรเพีอย่างเดียวมันยังไม่พออยากจะถวายมากกว่านั้นก็เลยจัดชุดสังฆทานขึ้นม า, า, าสังฆทานส่วนใหญ่ก็มักจะพยายามจัดของใช้จําเป็นที่พระ้ทำใช้เช่นแปรงสีฟันยาสีฟัน ซา บ, บูเทียงไขหรือถ้าอยากจะชุดใหญ่ก็อาจจะมีผ้าไตผ้าจีวอนหรืออาจจะเ ป, เป็นพวกปัจจัยสิหรื อ, อยารักษาโรคอะไรต่างๆนี้อันนี้ก็เป็นการทำเพิ่มจากการทำบุญแบบปกติคือการใส่บาตรคุณเก้าเดินต่อไปครับ ขอเลียงถามอาจารย์ค่ะว่าขณะที่ทําสมาธิแล้วมักจะปวดศรีรษะโดยเฉพาะบริเวณกลากงกระหม่อมจึงทําให้ต้องหยุดทําสมาธิเพราะปวดมากต้องแก้อย่างไรคะเพราะสติเรายังมีกําลังน้อยไม่พอสู้กับกิเลสที่มาสร้างความปวดศรีรษะให้กับเรากิเลสจะต่อต้านแล้วมันจะสร้างความตเครียดเวลาที่เราจะควบคุมจิตให้อยู่เฉยๆกิเลสชาบเม่จิตมี ม, มีมีการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆ พอถูกบังคับมันก็จะเครียดทันทีเนี่ย พ, พอคิดว่าถ้าต้องถูกจับไปครั้งในคุกสักคืนยังไงเครียดขึ้มนมาทันทีเยใช่ไหมไม่ต้องนั่งสมาธิเราเพียแต่ให้ตำนวจว่าวันคืนนี้เชนอยู่ในคุกหนึ่งคืนนะอันนี้มันก็เครียดขึ้นมาแล้วเพราะว่านี่คืออาการของจิตเวลาที่ถูกบังคับให้อยู่เฉยๆแล้วยิ่งให้นั่งเฉยๆไม่ให้คิดอะไรมันยิ่งเครียดใหญ่อยู่ในคุกยังเดินได้ยังลุกขึ้นเดินนะ ไปไหนมาไหนนอนได้ทำอะไรได้อยู่ว่าแต่ถ้านั่งสมาธินี่มันไม่ให้ทําอะไรเลยมันก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมารับถ้าเราไม่มีสติพอที่จะระงับอาการความต่อต้านนี้มันก็จะเกิดอาการเครียดแต่ถ้าสตินี้กาลังมากแล้วมันจะอาการต่อต้านนี่มันจะถูกกําลังของสติกดเอาไว้ได้มันจะไม่รู้สึกเครียดนถ้านั่งแล้วยังเครียด อ, อยู่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธี เช่นถ้าอยากถ้าอยากจะนั่งต่อก็เรามานั่งลรางสวมดมนต์แทนที่จะดูลงหรือบริกา ร, ร, ร, รพุทโธพุทโธเช่นสวดบทิติปิโสไปเรื่อยๆหลายๆจบก่อนหรือสวดพรสูดในยาวๆก็น่าที่เราจำได้เพราะสำคัญอย่าเปิดหนังสือให้นั่งหลับตาสวด น, นะถ้านั่งในท่าสมาธิอะไรก็ดีถือว่าเป็นการทำสมาธิอีกรูปแบบแทนที่จะใช้การดูลมหรือท่องพุทโธ ที่เรารู้สึกทําให้จิตเราเครียดปวดศีรษะแเราก็เรามาสวมดมนต์ดูก่อนสวดบทอีนทรีย์เสวไปสักระยะหนึ่งกจะเริรู้สึกว่าจิตเริ่มสงบเริ่มสบายก็เราหันมาดูลองหายใจต่อไปก็ได้หรือว่าถ้าเรายังนั่งสวดไม่ได้เราก็อาจจะลุกขึ้นมาเดินจงครมก่อนก็ได้อันนี้ในกรณีที่เราทําสมาธิในขณะที่เรากําลังทําสมาธิอยู่ แต่ถ้าจะให้ดีกว่า น, นี้ก็คือเราต้องฝึกสติมาตลอดเวลาก่อนไม่ใช่มาฝึกตอนที่เรามานั่งสมาธิเองฝึกตั้งแต่เราเบืมตาขึ้นมาเริ่มเจริญสติด้วยการบริการพุโทโธไปเรื่อยด้วยการเช่าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราจะมีสติมากขึ้นตามลำดับและพอเวลามานั่งสมาธินี้มันจะไม่มีอาการปวดศีรษะเกิดขึ้น อาจารย์ครับถามปัญหาส่วนตัวครับอย่างวันนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับใช้กําลังไปกับสมาตั้์ตั้งสติเยอะอะครับทีนี้พอมันเหนื่อยผมก็เลยมองวิวธรรมดาวิวธรรมชาตินะครับพุทลืมตาแล้วก็พุทธโทพุทธโทพุทธโทอย่างนี้ก็พอใช้ได้ไมั้ยครับอาจารย์ได้ถ้าจิตถ้าจิตเราไ ม, ไม่ไม่คิดอะไรก็ได้แต่มันจะไม่สงบเต็มที่นะมันจะไม่เป็นคณิกะแล้วไม่เป็นอัปปนาสมาธิเพรมันตามันยังใจมันยังไปติดที่รูปที่ตาอยู่ วิญญาณมันยังไปเกาติดที่ตา ห, หูตาอยต้องลืมวิญญาณออกจากตามันถึงจะเท่าข้างานได้คุณสมพรครับการใช้ธรรมะในชีวิตประจําวันต้องประมวลใช้ธรรมะหลายๆอย่างธรรมะตามผัสสะที่เกิดขึ้นอย่างนี้โยมประยุกต์ใช้ธรรมะได้ถูกต้องไหมครับประยุกต์ใช้ธรรมะภายสิ่งที่สัมผัสสิ่งที่ผัสสะที่พบที่ประสบที่เจอน้องกัปสะทูครับ ก็โดยหลักก we well, we so ็ใช้สติเนี่ยให้รู้ว่าเรากำลังสัมผัสอะไรรู้แล้วก็เราก็พิจารณาความเหตุผลว่าเราเมื่อสัมผัสแล้วเราควรจะทำยังไงกับสิ่งที่เราสัมผัสบ้างดูบางทีก็ต้องตอบบางทีก็ไม่ต้องตอบบางทีก็ต้องทําอะไรบางทีก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ให้มันอยู่ในกรอบของศีลธรรมและความเมตตาครับถ้าเราจะต้องตอบโต้หรือต้องทําอะไรก็อย่าทําให้มันผิดศีล อย่าให้เกิดการฆ่ากันขึ้นมาเกิดการรัดทรัพย์กันขึ้นมาให้อย่าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่าให้เกิดการก่อเกลียดกันขึ้นมาทํำด้วยไมตรีจิตทํำด้วยเมตตาคุณธนิดาครับรกราบธมศกรการพระอาจารย์เจ้าข้าถ้าหากเราต้องสูญเสียบุคคล น, นั้นเป็นที่รักแล้วเราจะมีวิธีวางใจอย่างไรและมีวิธีการปฏิบัติกับท่านอย่างไรณนะตอนสุดท้ายของชีวิต และมีวิธีการทําให้ท่านไปสุขคติอย่างไรเจ้าคะเวลานั้นมันสายเวลาที่จะส่งให้ท่านไปสุขคติการจะไปสุขคตินี้มันขึ้นอยู่กับบุญกับบาป ท, ที่เราได้สะสมไว้ว่าอย่างไหนมีกําลังมากกว่ากันไม่ใช่จะมารอทํำช่วงสุดท้ายของชีวิตนี้มันไม่ทันการต้องรีบทยตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ที่เรายังมีกําลังว่างชาพยายามทบุญให้มากๆให้มันมากกว่าบาปแล้ว เวาตายไปดุลก็จะพาให้ไปสู่สุขติโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ทำทําอะไรส่วนเรื่องของการทําสูญเสียบุคคลที่รักก็อย่างที่บอกเนี่ยเราต้องมาหัดเจริญปัญญาคัะพิจารณาว่าเรามีการพลาดพลาดจากการเป็นธรรมดาว่าร่างกายของวเราทุกคนจะต้องมีความตายไม่ช้าก็เลยเกิดขึ้นมาไม่ทั้งของเขาและทั้งของเราต้องมีการพลาดพลาดจากการเป็นธรรมดา ถ้าเราไม่เคยคิดเราก็จะลืงและเราจะคิดว่าเราจะอยู่ไปด้วยกันและจะต่อต้านการสูญเสียวเวลาสูญเสียจะเสียอกเสียใจเพราะไม่อยอมรับความจริงเพราะยังอยากให้บุคคลที่เสียไปไั้กลับมาหรืออยู่ต่อไปนั่นเองทั้งทที่ความจริงเขาไม่กลับมาแล้วเขาไปแล้วแต่ใจเรายังสูญเสียอยู่ยังรู้สึกเสียใจเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจสอนใจไว้ให้ซ้ำรับกับบทนี้ แล้วกับบทที่เวลาเราจากกันถ้าเราฝึกซ้อมเลยใเวลาจากกัน็จากกันเฉยๆไปเลยไม่ต้องทําอะไรนะถึงเวลาไปก็ไปเลยในเวลาอยู่ก็อยู่อยู่ก็อยู่ด้วยความเมตตาเวลาจากกันืก็จากกันด้วยความเมตตาก็ทํานั้นเองไม่ต้องทําอะไรอย่างนี้เราไม่ฝึกซ้อมเลยพอถึงเวลาเราทําข้อสอบไม่ได้จะทํายังไงได้ละ่ะเราทําเวลาคนจะตายคนจะไปนี่เราห้ามก็ได้ปะ แล้วเรามาเสีย อ, อกเสียใจเรามามุ่นวายใจกินไม่ได้ความไม่หลับจะเปลี่ยนแปลงความจริงได้หรือเปล่าเรามาทุบตัวเราเองทุบ อ, อกตัวเราเองเวลาเราเสียอะไรไปเราก็เสียจเวลาเราเสียใจก็เหมือนกันเราเอาอะไรมาทุบศรีรษะเราเทุบไปทําำไมมันได้ประโยชน์อะไรก็ทําให้เราเจ็บตัวไปเ ป, ะปะ่าเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเรามีปัญญาสารใจเรื่องว่าเป็นธรรมดาเ็นเรื่องที่จะต้องมีการเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ช้าก็เร็วเราก็เตรียม ต, ตัวเตรียมใจสอนอยู่เรื่อยเงพอถึงเวลาเข้าไปเราก็จะได้เฉยเฉยถ้าไม่เฉยแสดงว่าเราไม่ดิวเบรคขาพอก็เรามาฝึกสติมานั่งสมาธิกันมาสร้างอุเบกขาพร้อมกับการเดินเจริญปัญญาอย่าี้ยทำข้อสอบได้มีมีความรู้อย่างเดียวก็บางทีก็ยังทำใจไม่ได้ถ้าไม่ดิวเบขายังต้องมีสองอย่าง ถึงจะทำใจให้รู้สึกเฉยเฉยได้ไม่ไม่วุ่นวายไม่เสียใจไม่เดือดร้อนคุณสุภพรครับนิพพานในรูปคารวาสได้ไหมคะนิวานี่เั็นเรื่องของจิตแั้วไม่อยู่ที่ว่าเป็นพระหรือเป็นคารวาสนะพระก็มีจิตคารวาสก็มีจิตนิพพานก็คือการสิ้นกิเลสใครทําให้จิตของตอนเองหมดกิเลสได้จิตของตอนก็เป็นนิพพานขึ้นมา ในสมัยพุทธการนี่มีทั้งการวา่ามีทั้งพระที่เป็นที่ทําจิตให้เป็นนิพพานได้คุณมาลีครับคนที่ไปปฏิบัติบนเขาแยกเป็นกุติหญิงกุติชายไหมคะคือของส่วนชายนี่จะไปพักกับพระนะและส่วนหญิงนี่จะเป็นบ้านพักของป่าไม้เขาจัดให้อยู่เป็นทางหลังแยกกันคุณสมพรครับ โยมใส่บาตรตอนเช้าบางครั้งก็กรวดน้ำแบบแห้งอย่างนี้มีความเหมือนความต่างกับการใช้น้ำกรวดเหมือนต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันที่เรากรวดไม่ใช่น้ำที่เรากรวดก็คือน้ำใจที่ที่มีความสุขจากการทาบุญของเราคือเราส่งความสุข ข, ของของใจบางที้ให้แก่ผู้ลงรัมไปด้วยการระลึกภายในใจเราเอาที่ส่วนนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้นปลยท่านมารับส่วนนี้เธอก็จบแล้ว ไม่ต้องมีน้ำ <c oughs> คุณก้าวเดินต่อไปครับถ้าเราอยากที่จะเข้าถึงอุเบกขาได้ทุกครั้งที่เข้าสมาธิต้องฝึกมากขนาดไหนคะนั่นแหละก็ต้องถามตัวเองด้วยอยู่ที่ตัวเราถ้าปฏิบัติกันเราก็จะรู้เองว่าเราต้องฝึกมากขนาดไหนถ้ามันยังไม่ได้มันก็ต้องฝึกมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่ อ, อ, อยๆจนกว่ า, วามันจะได้ครับ ถ, ถ้าฝึกชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ก็ต้องฝึกสองชั่วโมง ฝึกสองชั่วโมงยังไม่ได้ก็ต้องฝึกสามชั่วโมงแล้วก่อนจะมาฝึกนั่งก็ต้องฝึกสติอยู่ด้วยว่าวันนี้เรามีสติได้สักกี่ได้กี่นาทีและกี่กี่ช่วงให้ทำเราเนี้ยต้องฝึกสติให้มากๆขึ้นมันจะมันจะรูเ้เองเวลาปฏิบัติรู้ว่าเรายังขาดอะไรต้องต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นให้มากขึ้นไปเรื่อยๆคุณมีชัยครับ ถาจิตสบายแต่อาจจะเวลาไม่นานมากเช่นนั่งสี่สิบนาทีใจเบาสบายอย่างนี้พอใช้ได้ไหมครับ <c oughs> แบ่งวันนั่งเป็นชั่วโมงสงบน้อยกว่านั่งสี่สิบนาทีก็มีเป็นเพราะอะไรครับรอาจารย์ครับอ๋อก็อยู่ที่สติของเราบางวันสติเราเผลอมากมันก็นั่งไป่ได้นานบางวันสติเราไม่เผลอมันก็นั่งเลยนานส่วนจะพอไม่พอนี่ก็เป็นเรื่องของคนนะคนได้เงินสี่สิบล้านได้เงินร้อยล้านได้คน คุณควรจะพอที่ตรงไหนนะนะ่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณพบกับความสุขที่มีราคามากกว่าเงินร้อยล้า น, นคุณอย่าบอกเอาเงิน้อยหรือจ้ามากๆดีเพราะความสุขที่ได้จากสมาธินี่มันเป็นความสุขที่มีคุณค่าราคามากกว่าความสุขที่คุณจะได้จากเงินเป็นร้อยล้านถันล้านเนี่ยถ้าคุณเจอความสุขที่แท้จริงที่สงบอย่างแท้จริงคุณธนิ tha ครับ หัวใจของการทําสมาธิคืออะไรคะทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขนั่นเองคือหัวใจของการทําสมาธิด้วยการฝึกสติด้วยการควบคุมจิตไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้จิตคิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นพุโทโธลึนูลมหายใจเขา้าคุณเรครับเวลาผมปฏิบัติทําแล้วเกิดอาการขี้เกียจผมควรทํำยังไงครับ <laughs> วก็ขยันเลยอ่ามันยากไงเสิ่งที่แก้ความขี้เกียจก็คือความขยนันไม่มีเวลาที่จะมาแก้ความขี้เกียจได้นอกจากความขยนันพระพุทธเจ้ายังสอนว่าความขยันนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องหลุดพ้นด้วยความขยนันด้วยความเพียรพยายามถ้าไม่ได้หลุดพ้นด้วยความขี้เกียจ ไม่ว่าจะทํางานทางโลกทางธรรมต้องมีความประหยนนัดนะ่รถ้าคุณไปทํางานแล้วไปบอกผู้จัด ก, การของคนจังหวัดให้ผมขี้เกียจเราจะทํางไงดีผู้จัดการบอกว่คุณก็ออกไปจากงานนี่ถ้าคุณขี้เกียจแต่คุณยังทำงานต่อคุณก็ต้องขยนนันท่นไม่น่าจะถามเลยการโง่เปล <c oughs> ่าคุณ <c oughs> คุณการครับเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไปและรู้สึกว่าตัวเองเป็นเนื้อเดียวกับอวกาศนี่คือสมาธิขั้นไหนครับก็ข่านนั้นนหละมันไม่มีชื่อบอกไม่ใช่เหรอก็ให้รู้ว่ามันสงบวัตถุหมายก็คือให้มันสงบให้มันเนื่งนานาให้มันมีความสุขนานามันไม่มีขั้นหรอกเวลาปฏิบัติสมาธิแต่ไม่สนใจกับเรื่องขัง้นสนใจกับตัวจริงอยู่อะตัวจริงมันเป็นยังไงสงบไม่สงบเนิ่งหรือไม่เนื่งมีความสุขหรือไม่มีความสุขให้ดูตัวนี้ คุณสุกตาครับกับเลียนถาพอาจารย์ค่ะการฆ่าพ่อเป็นอารันตริยกรรมที่บาปหนักที่สุดแล้วในกรณีที่พ่อทับกําลังจะฆ่าเราแล้วเราฆ่าพ่อเพื่อป้องกันตัวแบบนี้ถือว่าบาปหนักสุดเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันพ่อฆ่าลูกกับไม่บาปท่ากับลูกฆ่าพ่อพ่อลูกไม่มีพักรุณกับพ่อพ่อมีพักรุนกับลูกคุณพัชรีครับ อยากทราบว่ายานหมายถึงอะไรคะและมีกี่ประเภทคะยานหรือฌานฌา น, านมีมีสองอ่าถ้าเป็นฌานกับยานนี่ความหมายต่างกันฌานก็คือความสงบของจิตขั้นต่างๆมีอยู่แปดขั้นด้วกันแปดแล้วเก้าขั้นด้วยกันแบ่งเป็นรูปประฌานกับเรารูปประฌานรูปประฌานสี่เรารูปประฌานสี่ปปแล้วก็มีนิโรธสมาบัติขั้นหนึ่งนี่คือความสงบขั้นต่างๆของจิต ถ้าเป็นยานก็หมายถึงความรู้ความอยากทราบเช่นนั้นมียาอยากทราบว่าตอนนี้เราได้บรรลุถึงขั้นนี้แล้วเราได้เราได้ตัดสัมยุทธ์สามข้อนี้ได้แล้วเป็นตอนอยู่ในป็นยาคือความรู้การอยากทราบว่าจิตของเรนี้อยู่ในระดับไหนขั้นไหน คุณเอกครับหลังออกจากสมาธิแล้วลองพิจารณาปัญญาว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วเกิดอาการเย็นวา่าขึ้นมาปกติไหมและจะปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็มันอาจจะมีอาการต่างๆได้แต่เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ตรงอาการนะนั้นเป้าหมายอยู่ที่ว่าเรารับความแก่ความเจ็บความต า, ายได้หรือไม่เราเลิกกลัวความแก่เลิกกลัวความเจ็บเลิกกลัวความตายได้หรือไม่นั่นคือเป้าหมายของการปฏิบัติ เือเราไม่ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายคุณสมพรครับการปฏิบัติธรรมโดยการนําข้อธรรมะมาปฏิบัติกับการนั่งสมาธิข้อธรรมะปริยัติกับปฏิเวศนะครับปฏิเวศ ก, กับการปฏิบัติมีความเหมือนมีความต่างกันอย่างไรครับก็ <S <S มันการปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติก็าต้องปริยัติก่อนเช่นตอนนี้คุณกําลังทําปริยัติอยู่เนี่ยการทํานี้เป็นการ ศึกษาซึ่งเป็นปริยัตศึกษาวิธีการนั่งสมาธิว่านั่งอย่างไรเมื่อเรารู้วิธีนั่งแล้วเราก็ไปนั่งก็นั่งแล้วทำถูกวิธีคือมีสติต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจไม่คิดปุุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆจิตก็จะรวมเป็นอัปปนาสมาธิหรือคณิกาสมาธิขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าปฏิเวกผลที่เกิดจากการปฏิบัต คุณบ <fl |ro|>, ุพภาครับอยากจะขจัดความคิดวิตกกังวลต่างๆออกจากใจจะต้องมีวิธีวางใจอย่างไรครับพระอาจารย์กราบขอความเมตตาความกระจ่างด้วยครับก็ต้องฝึกสติแล้วก็ฝึกปัญญาตามลำดับเริ่มต้นก็ฝึกสติหยุดความคิดวิตกกังวลต่างเวลาเกิดความวิตกกังวลก็พูดโถพูทโถพูดโถไปอย่าปล่อยให้มันคิดแล้วอเราสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดกังวลได้แต่ันเวลามันโถขึ้นมาต่อไปก็ให้ใช้ปัญญา เพความวิตกกังวลนี้มันเกิดจากความอยากอยากให้สิ่งต่างๆเที่ยงแท้แน่นอนเป็นใช่อยากใช้สิ่งต่างๆอยู่ภายใต้การควบคุมบังครับของเราเราก็ต้องใช้ปัญญาศึกษาว่าเป็นไปได้ว่าเราจะควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราเราก็จะเห็นว่าไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราไม่ช้าก็เล้วเขาก็จะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราก็จะหายวิตกกังวล เพราะว่าพี่ตกกังวลไปก็ทุกข์ไปเปล่าสู้ยอมรับความจริงไปบ่ยอมรับอะอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับมันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้ใจเราก็ยอมรับกับความเป็นจริงใจเราก็จะไม่มตกตงังวลขัาเรื่อง คุณ C ีเจครับหากมีสติสัมปชัญญะจะไม่ลืมแต่หากฝึกรู้ตัวระหว่างวันอยู่กับปัจจุบันแล้วลืมเรื่องที่จะต้องทําถือว่ามีสติไหมคะหากทําอย่างหนึ่งแล้วลืมอีกอย่างหนึ่งควรปฏิบัติอย่างไรดีครับคือความจํานี้มันไม่ได้เป็นชิดมันไม่ได้เป็นตัวสตินะความจํำนี่คือตัวสัญญาเวลาเราฝึกสตินี้เราไม่ได้ฝึกสัญญาสัญญาเป็นอนิจจาท้านบอกไม่เที่ยงจําได้ลืมได้เป็นธรรมดา อยากจะลืมมากลืมเร็วลืมชาลืมเร็วนี้ก็อาจจะมีสติมีส่วนคอยคอยช่วยถ้าเราถ้าเราโกยจะลืมสติก็จะขอให้เรารับเตือนให้เราเรารักถึงมันอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะลืมลืมลืมยากแต่ถ้าเราไม่มีสติแล้วก็จะไม่ไปเรารักถึงมันเดี๋ยวเราก็จะลืมมันได้ง่ายขึ้นทําตามหน้าที่กันสัญญานี้เป็นตัวความจก มันเป็นธรรมชาติที่มันจะมีการจําได้แล้วก็ลืมได้ที่มันลืมง่ายเพราะว่าเราเลิกคิดถึงมันใช่หไหมถ้าเราคิดถึงมันมบอ่อยๆมันก็จะไม่ลืมเช่นคนที่เราเห็นหน้าเห็นตาทุกวันเราไม่ค่อยลืมชื่อใช่หไหมแต่คนที่เราไม่เคยเห็นหน้าบางทีไม่เจอกันสักห้าปีสิบปีนี้พอเจอกันนึกไม่ออกว่าชื่ออะไรวะเพราะเราไม่มีการทบทวนอยู่เรื่อยๆ งั้ถ้าเราอยากจะไม่ลืมอะไรเราก็ต้องมีสติคอยบังคับให้ใจเราคอยทบทวนอยู่เรื่อยๆแล้ว เ, เราก็จะไม่ลืม น, น, นั่นนั้นคุณสมพรครับการทานอาหารของคารวาสเพื่อให้มีสุขภาพดีตามหลักพระพุทธศาสนาควรใช้วิธีการทานอาหารวิธีใดให้มีสุขภาพดีทั้งกายใจครับก็ตามฐานะของเรามีน้อยมีน้อยก็กินน้อยกินของถูกมีมากจะกินสองแพงก็แล้วแต่ไม่ไม่เป็นปัญหา แต่ทางที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นฐานะแล้วไม่ว่าจะฐานะพระเจ้าบอกกินแบบมากน้อยสันโดษอันทีที่สุดถึงแม้ว่าจะรวยกินของหรูหราได้ก็ตามของแพงๆได้ก็ตามก็ไม่ควรเพราะว่าด้วยเหตุผลมันได้ผลเท่ากันกินแบบถูกๆ ก, กับกินแบบแพงๆมันก็ทําให้ท้องอิ่มเหมือนกันแล้วก็ทําให้ร่างกายอยู่ได้ไปชั่วระยะหนึ่งเหมือนกัน เมื่อจะกินแพงก็กินถูกห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีคุณน้องหลินครับพระอาจารย์เจ้าคะถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เมื่อตายไปแล้วยังมีความหิวความต้องการอยู่ใช่ไหมเจ้าคะอะไรที่ยังมีอยู่ในจิตของเรามันก็จะงก็อยู่ต่อไปถ้ายังมีความอยากสวยอยาก ง, งามก็อยู่ต่อไปถ้าอยากจะร่ำอยากรวยมันก็จะอยู่ต่อไป เวลามาเกิดใหม่มันก็จะเอามันก็จะออกมาสแสดงตัวมันต่อไปแต่สําหรับบางคนที่ไปบวชแล้วความอยากเงินแล้วก็ไม่มีความอยากเด่นอย่างนั้ น, นก็ไม่มีเวลามาเกิดใหม่ถ้ายังไม่ถึงนิพพานเขาก็จะเอาความความไม่อยากนี้ติดตัวมาเองเขาเขาจะไม่อยากเงินอย่ากเงินเราก็จะเป็นคนสมถะเรียง่ายอยู่แล้วาตามมีการเกิดได้แคนเราจึงมีความแตกตา่างกันในทางด้านจิตใจ บางคก็อยากชอบของรูหราของสวยของงานของแพงบางคนก็ชอบของเรียกง่ายธรรมดาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิสัยที่เราเคยทํามาในอดีตชาติมันจะติดไปกับใจของเราแต่นิสัยพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหยครับได้ไดอันไหนไม่ดีถ้าเรารู้ไม่ดีเราก็ฝึกมันได้เช่นสูบบุหรี่ไม่ดีสูบเราจะมีโทยกับร่างกายทําให้เป็นมะเร็ง่วยอะไรอย่างนี้ พออยากจะสูดล้วก็ท ำ, ทำัดเราก็ต้องฝืนบังคับถ้าเราฝืนไม่สักครัง้งสองครัง้งต่อไปมันก็ง่ายมันก็จะเริ่มสูดได้แล้วต่อไปความอยากสูดมันบุรีมันก็จะหายไปคุณมัลติเวอร์ชัลยูนิตีครับฝากคำถามครับการรัสการขอโอกาสครับพระอรหันต์ท่านมีการทำงานของอายตนะ1ิบเหมือนปุถุชนไหมครับหรือความรู้ของท่านไม่ต้องผ่านอายตนะภายในแล้ว อ๋อเหมือนกันท่านยังใช้อายตนะเหมือนกันท่านยังใช้ฐานะเหมือับเป็นแต่ว่าผู้ใช้ไม่มีกิเลสท่านหนึ่งไม่ได้ใช้ด้วยกิเลสใช้ด้วยธรรมทำอะไรก็ใช้ด้วยธรรมไม่ได้ใช้ด้วยความอยากอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีนั่นมีนี่มีหน้ามีตาไม่มีใช้ไปตามตามตา ม, ตามเหตุตามผล <c oughs> ที่ลูกเจ้าก็ะสงใช้อายทนะเพื่อแสดงธรรมเป็นหลั ในการใช้เวลาโปรดใช้ท่านก็ต้องรู้ก่อนมากกว่าที่ท่านมาโปรดนี้นะเป็นเป็นเป็นคนในระดับไหนเป็นฆราวาสเป็นพระเป็นอะไรอย่างนี้ท่านเ็นะได้สอนทําให้ถูกเหมาะสมกับสถานาพของเขาคุณป้อมครับการชอบฟังธรรมะบ่อยๆว่างก็ฟังทันทีเป็นสมาธิด้วยไหมคะไม่เป็นหรอกเป็นการฝึกปัญญา แล้วก็อา จ, จะเป็นสมาธิแบบหยาบๆือท่าใจเราไม่ไปคิดเรื่องต่างๆจดใจการฟังใจก็จะสงบในระดับแต่ยังไม่ถึงขั้นระดับอัปปนาสมาธิและคณิกาสมาธิถ้าอยากจะให้เป็นสมาธิต่อหลังหยาฟังธรรมใจก็นั่งดูลองหายใจกลับไปอย่าคิดปูนแต่แล้วเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่สมาธิได้อย่างสมบูรณ์มีคําถามนี้บอกว่า วันพุธที่ผ่านมาหนูได้เข้าฟังธรรมในซูมแล้วได้ฟังพี่ผู้หญิงเขาถามพระอาจารย์สี่ข้อที่พี่เขาได้พิจารณาจนเห็นแจ้งแจ้งหนูอยากทราว่าพี่เขาได้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วใช่ไหมคะหนูได้ฟังก็ซึ้งน้ําตาคลอค่ะอยากทําให้ได้ครับก็เราฟังแล้วก็ไม่มีอะไรขาดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงแล้วไม่จริงว่ามันเป็นความรู้ที่เขาได้มาจากก า, ารปฏิบัติจริงๆริงหรือว่าเป็นการจินตนาการของเขา แต่ก็เป็นสิ่งที่เขาพูดที่ไม่มีไม่ขัดกับความเป็นจริงเท่าไรเราก็ไม่ต้องการที่จะเข้าไปเร้าร่าเรารงในในตัวของเขาเขาเองแต่พูดไปตามที่เขาพูดมาเท่านั้แต่ก็น่าทึ่งนะผู้มานารจะเจอคนที่สามารถพูดธรรมะได้แบบนี้คุณหมอไม่ทราบได้ยินนะครับได้ฟังอยู่ครับอาจารย์ครับเป็นที่ เป็นที่คุยกันในกลุ่มบนเขาก็มีนะครับอาจารย์ครับผมแต่นั่นะพยายามพแ้ว่ามันเป็นจินตนาการหรือว่าเ ป, เป็นความจริงในจิตใ จ, จของเขาครับ <c oughs> ก็คิดกันอย่างนั้นและครับอาจารย์ครับคุณภารัตครับการรับการพระอาจารย์ครับผมอยากถามว่าสติช่วยบาบัดซึมเศร้าทำให้ระวังความคิดไม่ไปสู่การฆ่าตัวตายได้หรือไม่อย่างไรครับได้เพราะถ้ามีสติจิตเราจะสงบเป็นส่วนใหญ่ จิตจะเบิกบานผ่องใสจะไม่เศ้าโศกเสียใจดังนั้นความคิดที่จะไปฆ่าตัวตายมันก็จะไม่มีนั้นเมื่อไม่มีความทุกข์ใจผู้มีสติตลอดเวลานี้จะไม่มีความทุกข์ใจความทุกข์เกิดในช่วงที่เวลาเผลอสติเท่านั้นเองถ้ามีสติแล้วมันจะคิดอะไรไม่ได้สติจะคุมไว้แต่พอเผลอสติบ้างเดี๋ยวไปคิดอยากได้นูน่นอยากได้นี่พอไม่ได้ผิดหวังก็จะเสียใจ แล้วกาจะคิดค่าตัวตายได้แต่ถ้ามีสติอยู่ตลอดเวลาควบคุมใจให้ว่างให้เย็นให้สบายแล้วเรื่องการคิดค่าตัวตายนี้เรื่องซึมเศร้านี้จะไม่มีอย่างแน่นนคุณเจวีซีครับกลาบเรียนถามว่าถวายเงินทำบุญกับพระที่เสพเมถุลกับสีกา หรือพระกับพระเศษกันเองได้ในวัดโดยเราไม่รู้มาก่อนที่จะเป็นข่าวเงินที่เราทําบุญไปจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะถ้าไม่สมควรถามข อ, อกลาบอภัยด้วยเจ้าคะ่ะ อ, อ๋อได้บุญบุญที่เราให้เนี่ยมันเกิดจากการเสียสละแบ่งปันของเราไม่เกี่ยวกับผู้รับผู้รับจะเป็นส่วนนั่งเป็นอะไรก็เราก็ได้บุญเป็นคนธรรมดาคารวาะที่ครองเรือนที่ยังไปพ้นไปที่ไปรักขโมยอยู่เราก็ยังได้ มัน ไ, ไม่เกี่ยวกับผู้แล้วเพราะมันเรื่องของการเสียสละคุณที่เกิดจากการเสียสละไม่ได้เกิดจากผู้รับ ว, ว่าต้องเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระที่ศีลบริสุทธิ์อยงนี้ทาให้เราได้บุไม่เกี่ยวกับคนเรื่องกันคุณอัปโป้ครับพระอาจารย์เจ้าค้าวันนี้ลูกนั่งสมาธินั่งไปได้ประมาณสามสิบนาทีใจวูบลงไปนึกบริกรรมพุทโธไม่ออกเลยนานเหมือนกันถึงบริกรรมคืนได้อาการนี้คืออุปจาระสมาธิไหมคะ ไม่หรอกมันเป็นสมาธินั่นแหละไม่ใช่ลมประจาะนแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่สงบเต็มร้อยก็ถ้ามันบริกรรมพุโทโธไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกังวลให้มีสติอยู่กับความสงคํานิ่งนั้นไปเท่านั้นเองอย่าไปพยายามดรีคําบริกรรมพุโทโธขึ้นมาเพราะมันจะทําทให้จิตถอนออกจากสมาธิถ้าจิตสงบนิ่งนั้นมันไม่คิดมันไม่พุโทโธไม่ดุลงมันสักแต่ว่ารู้เฉยๆไปเท่านั้นเอง คุณวชิรวิทย์ครับกาบเขาอการไม่ตาเรียนถามอาจารย์ครับ 2-3 ปีก่อนชอบสวดมนต์ยาวเกือบทุกวันแต่ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิทุกวันนี้อยากนั่งสมาธิแต่ไม่ค่อยสวดมนต์กาบเรียนถามว่าไม่สวดมนต์จะเหมาะสมไหมครับคือการสวดมนต์นี้เป็นการทําทําสมาธิเบื้องเรื่องต้นคือทำทำจิตให้สงบในเบื้องต้นก่อน พราะว่าบงทีถ้าเราเริ่มนั่งสมาธิดูเราไหมจิตเรายังคิดถึงเรื่องาราวต่างๆมากมายมันก็จะนั่งไม่ได้ถ้านั่งไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนถ้านั่งได้เลยก็ไม่ต้องสวดถ้านั่งสมาธิดูลเราหายใจได้พูดโทรไม่ได้ก็ไม่ต้องสวดแต่ถ้านั่งน้อมันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะมีเรื่องราวที่เราไปเกี่ยวข้องจากที่ทํางานหรือที่ไหนมามันยังค้างๆ อ, อยู่ในใจเราก็ต้องใช้การสวดมนต์ลบมันออกไปก่อน เราไม่มานลบควรใจแล้วนะที่เราต้ดูมนั่งสมาธิยู่วงค์แ้พุโทโธไปได้เลยคุณสมพรครับการได้เกิดเป็นมนุษย์สิ่งใดควรปฏิบัติควรทําสูงสุดอันจะทําก่อให้เกิดความคุ้มค่าสุดในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครับก็ไม่บวชเพื่อมรุ่งมั่งผลนิพพานนี่ว่าไม่มีอะไรสมบัติอะไรที่จะมีคุ ณ, ณค่าเท่ากับมรุ่ผลนิพพานสมบัติต่างๆในโลกนี้เป็นสมบัติชั่วคราว คุณวชิรวิทย์ครับหลังจากชีวิตเจอทุกมามากพอควรประกอบกับฟังธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่เสมอทำให้หวาดกลัวในบาป ก, กรรมพยายามรักษาศีลห้าให้ต่อเนื่องแต่แอบมีพร่องข้อสีบ้างนิดหน่อยมาได้ประมาณ5ปีแล้ ว, ลวครับก็ดีพยายามทำให้มันบริสุททุกข้อได้ดีจากคุณม u l ติ v ว r s a l Unity ครับ คำถามข้อที่สองครับสิ่งใดเป็นตัวหยิบใช้งานจิตครับหรือเป็นธรรมชาติของเขาทํากันเองใช้กันเองวางกันเองเมื่อไหร่จะหยุดใช้งานกันและกันครับอ๋อของบุตรชนนี้ก็เป็นวิชาโมหาวิชาเป็นตัวที่ใช้งานจิตให้ไปแสวงหาควาพสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ผ่านทางร่างกายแต่ถ้ามีทำมาเป็นผู้กํากับทำมาบอกว่าให้เลือกหาความสุขจากสิ่งตา่างๆผ่านทางร่างกาย เรามาความสุขจากการอยู่ปราศจากความความโลบความอยากต่างๆจิตก็จะมีความสุขในตัวของมันเองตอนนี้จิตของบุตชรชนนี้ถูกกิเลสโมหะอวิชชาเป็นผู้สั่งการให้จิตไปทําอะไรต่างๆเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมเพื่อเอาธรรมมาลบล้างกิเลสทันหะ ท, ท, ท, ที่มีนในใจให้หมดไปแล้วก็จะมีแต่ธรรมคอยคลองใจเป็นผู้สัง่งสั่งจิตให้ตั้งอยู่ในความสงบ ไ ห, ห้เลือกหาความสุขจากสิ่ ง, งต่างๆเพราะสิ่ ง, งต่างๆนันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความทุกข์กาพร้าโดยที่เรามารู้สึกตัวคุณแม่ชีนภัทครับปฏิบัติอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฐิเจ้าค่ะเมื้องตอนก็ต้องศึกษาทอาธรรมคำสายของพุทธเจ้า่อครับให้มีการเห็นตามทีวว่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นก็คือจะเห็นว่าเราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกัน จิตของเราเนี่อยู่ภายใต้กฎของการทาดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อไม่ใช่ร่างกายนะขอให้ฟังเรื่องของจิตนะแล้วก็จิตของเรานี้เมื่อตะเมื่อร่างกายตายไปแล้วก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปของของการที่ได้ทำไว้แล้วเมื่อเมื่อถึงเวลาก็ต้องไปรับต้องไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายเพื่อมาทําตามความอยากของกิเลสตัณหาต่อไป ถ้าไม่อยากจะเอาเวรว้ตายเกิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆก็ต้องปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทางศีลทอนะที่เป็นทางสู่การออกจากกองทุกข์แห่งการเวรเว้ตายเกิด น, นี่ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเป็น ท, ท, ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตของพวกเราคุณแพทครับกล่าเรียนถามค่ะ สองข้อข้อที่หนึ่งอาการว่างและวูบโดยที่รู้สึกตัวอยู่ขณะนั่งสมาธิพอถือว่ามาถูกทางไหมคะถูกถ้าไม่หลับนมันมีวูบสองแบบวูบน้ําหลักวูบน้ำไม่ไม่หลักถ้าไม่หลับรู้สึกตัวตลอดเวลานั่งได้รวจิตสงบจิตไม่คิดปูแต่งนี่ก็เรียกว่าเป็นสมาธิ ข้อที่สองโยมจะนั่งสมาธิได้ก้าวหน้ามากกว่าเฉพาะในตอนเช้าเท่านั้นเวลาอื่นๆไม่ได้เพราะอะไรคะมันก็แล้วแต่คนบางคนเขาบอกว่านั่งสมาธิดีในตอนเข้าบางคนก็นั่งดีตอนเช้างั้นมันก็อยู่ที่สิ่งแวดลอ้อมเพราะที่บ้านโยมตอนเช้าอาจจะสงบคนยังคนอื่นยังนอนกันอยู่แล้อย่างน่งนั่งกายก็จิตใจได้พักผ่อนนั่งกายก็ได้พักผ่อนจิตใจก็ได้ได้พักหยุดชิดตุ่นแต่ เมื่มานั่งสมาธิก็จะรู้สึกว่าทำได้ง่ายกว่าเวลาไม่ได้คุณสมพรครับทำหน้าที่ในฐานะเป็นชาพุทธควรทำหน้าที่อย่างไรให้เหมาะให้สมกับการเป็นชาพุทธที่แท้จริงครับก็อย่างที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยก็ให้ศึกษาเราทำคาสอนแล้วก็ปฏิบัติตามเขาทำคำสอน มุจจาเราสอนว่าให้ทําทานถ้เาเป็นกาลว่าก็ให้ทำทานทานที่ดีที่สําหรับชาวพุทธก็คือสนับสนุนพระพุทธศาสนาก่อนแลาต้อกสนสนับสนุสนพระพุพะทธธรรมตั้สมเช่นโดยการใส่บานรด้วยการสร้างที่อยู่อาศัยกุฏิวิอะไรที่อยู่อาศัยที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมส่วนที่ไม่สําคัญไม่สร้าก็ได้เช่นโบเจดีย์ พระพุทธรูอะไรตนี้ไม่จำเป็นสาสร้างสร้างถิ่นที่จำเป็นถ้าโยมไปเที่ยววัดป่าเจะสังเกตได้ว่าป่าส่วนใหญ่จะไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์จะไม่มีพระพุทธรูปเยอะแยะอาจจะมีองค์เล็กๆองค์เรินมตั้งไว้เพื่อให้เ ป, เป็นเป็นพิธี น, นั้นเองพอเป็นพิธีนนแตไม่เน้นทํําทาในสิ่งที่ไม่จําเป็นเน้นในสิ่งที่จาเป็นอาจจะต้องมีศาลาไว้สําหรับทํากิจกรรมร่วมกันฉันจั๊ฉันอาหารหรือแสดงธรรม แ้วก็มีกุฏิอย่างยักกันไปอยู่กระจายกระจายอยู่เนี่ยรอบปเปรย์มันก็นมีท่านในฐานะศสนา <c oughs> การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ใส่บาตรพรถ้าพระมนไปบิณฑบาต ท, ที่บ้านเราเก็ใส่บาตรระแล้วก็เวลาเรามีมีวันสําคัญเราอยากจะทำนุบำงก็อาจจะถวายเงินทองเพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมปฏิเครห์ปฏิสัมควันส่วนอาคารต่างๆที่จำเป็ น, นต้องมี อันนี้ก็เป็นทานของชาวพุทธเราก่อนที่เราจะ <c oughs> ไปก่อนที่เราจะไปทําทานที่อื่นให้ทําทานกับพระพุทธศาสนาก่อนแต่ถ้าพระพุทธศาสนามีพอเพียงแล้วเราไปทําทานที่อื่นก็ได้ก็ควรเช่นไปทักทานที่โรงเรียนทําทานที่โรงพยาบาลทําทานที่สถาน ส, านสงฆ์คนชราคนพิการอะไรสุดท้แต่เาจะไปทาทานแบบไหนก็ทาได้แต่ถ้าในฐานะชาวพุทธนี้เราต้อง เราต้องคำนึบงบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งแรกก่อนว่าเราเพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนครูอาจารย์ของพวกเรานี่นเองถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยสอนเรา <c oughs> แล้วเราก็รักษาศีลห้าแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิฝึกเดินจนคมไปตาม ก, กําลังเราอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราปีนี้ <c oughs> คุณปริยชาครับขอโอกาสถามพระอาจารย์ว่าทำไมทุกวันนี้มีแต่คนไร้ศีลไร้ธรรมมีแต่ความอยากตันหาทางโลกเพิ่มมากขึ้นทุกวันทั้งๆที่ได้เกิดมาเป็นคนนี้ก็แสนยากแล้วทำไมไม่สร้างกรรมดีกันเวลาเหลือ น, น้อยเต็มทีแล้วกราบขอบพระคุณค่ะเพราะไม่มีใครอยากจะเรียนศีลธรรมแล้วคนสอนศีลธรรมก็มีน้อย <c oughs> ก็เลยทให้นยี่ยงเดี๋ยวนี้ คิดดูสมัยก่อนนี่สมัยที่เราเป็นเด็กๆโรงเรียนยังมีการสอนศีลธรรมครับผ<ะ>ู้เรียนแต่ยุคสมัยนี้โลกยุคเขาเรียนอะไรโลกการพิวัติต้องต้องทันโลกแล้วโลกเขบอกการเรียนศาส น, นานี้เป็นของไม่จําเป็นของที่ไปเหมือนกับว่าไปไปก้าวไกลในชีวิตส่วนตัวของนักเรียนเหมือนเราไปล่างสมอ ง, องนักเรียนเพราะว่านักเรียนอาจจะมีความเชื่อในศาสนาก็มี นัก เ, เรียนบางคนอาจจะไม่เชื่อในเรื่องของศาสนาก็มีเการเอาเรื่องของศาสนาไปสอนในโรงเรียนนี้ถือว่าไม่ถูกหลักสากลเพราะตางจานนี้เขาแอนตี้เรื่องการสอนศาสนาในในโรงเรียนเพราะเขาถือว่านี่เป็นเรื่องสุด ต, ตัวต้องสอนกันที่บ้านเนื้อไปที่โบกถ์ไปที่บ้านของตัวเองแต่ไม่มาสอน <c oughs> ในโรงเรียนของโรงเรียนรัฐบาลเพราะโรงเรียนรัฐบาลนี้เป็นของคนทั้งประเทศ ซึ่งอาจจะมีนักถือศาสนาหลากหลายศาสนาด้วยกันนะก็เลยตัดศาสนาออกไปจากบทการสอนพอเรามาโลกาที่วัดเราต้องมีมาตรฐานเดียวกับเขาเขาก็มางค้บไห้เราต้องเลิกสองจิลธรรมกันนะที่เป็นที่มาทําไมตอนนี้เรากำลังตามตามแห่ตา่างชาติกันหมดบ้าเรื่องการกเรื่องการอันนี้เก่งการการหางมากขึ้นนะไม่ไม่มีการไม่มี เฮลิโอตาปะเลยพูดง่ายๆ ไ, ไม่มีความยากอะไงในเรื่องของเรื่องเพศเรื่องอะไรนี้พูดกันอย่างเปิดเผยก็ทํากันอย่างเปิเปดเผยอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกาพิวัตมันก็เลยไม่มีการสั่งการสอนสมบัติผู้ดีในเมืองไทยนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีการสอนเคยได้ยินไหสมสมัติผู้ดีสมัยปู่ย่าตายายนี่ก็มีสอนกันผู้ดีก็ทําตัวยังไงแลศีลนัรรม เรื่องเรื่องของศีลธรรมของชาวพุทธนี่มีสอนแต่ไม่ว่าเป็นหนึ่งอย่าง่ทุกวันพุทธทุกวันพระเด็กจะต้องไปเข้าวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปรับศีลท่าจากพระถ้าเป็นโรงเรียนรัฐนี่ยเรงเรียนหลายโรงเรียนนี่โรงเรียนรัฐกะเคยเรียนโรงเรียนประชาบาลก็เคยเรียนโรงเรียนจีนก็เคยเรียนโรงเรียนฝรั่งก็เคยเรียนนั่นก็ตัดโรงเรียนฝรั่งเ้าก็ไม่สอนศีลธรรมก็สอนเรื่องพุทธก็ไปโรงเรียนคพุทธก็สอนเรื่องพุทธไป ท่า น, นี้อยู่ที่อยู่ที่โรงเรียนเพื่อโรงเรียนไม่สานเด็กก็เลยไม่รู้จักศิลธรรมกันพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาพาลูกเข้าวัดใช่ไหมพอวันหยุดก็พาลูกไปเที่ยวไปเข้าสวนสัตว์กันไปเที่ยวสวนสัตว์สวนสนุกกันไปช้อปปิ้งกันไปกินไปดื่มกันมันก็มีแต่เรื่องส่งเสริมทางเรื่องของการนะเรื่องของศิลธรรมก็เลยห่างเหินจากจิตใจของคนเราในสมัยนี้ไปน่าเสียดายน่าเศร้าใจ แต่ก็เป็นเรื่องของความเสื่อมของจิตใจซึ่งพเ จ, จ้าก็ส่งได้ทำนายไว้แลาจิตใจของมนุษย์เราจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆจะห่างจากศีลธรรมไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นไปเราไปจะไม่มีศีลธ ร, รรมอยู่ในใจของมนุษย์มนุษย์จะค่ากันกันเต็มเป็นถาเป็นป่าจนในที่สุดก็จะฆ่ากันตายหส่วนคนที่มีศีลธรรมก็จะต้องหนีออกไปอยู่ตามชนบทไปอยู่ที่ที่ไม่มีคนที่เขาไม่มีศีลธรรมอยู่ แล้วพวกคนที่ไม่มีศีลธรรมที่อยู่ในบ้านในเมืองฆ่าพันกันตายหมดคนที่มีศีลธรรมเขาจะออกมาสร้างบ้านในเมืองอีกทีตอนนั้นก็จะเป็นยุคการเจริญงืมเงินของศีลธรรมต่อไปเพราะคนจะเห็นว่าการไม่มีศิลธรรมนี้เป็นการทําลายร่างขอมพันนี้นั่ก็จะมาเริ่มรักษาศีลกั น, กนปฏิบัติธรรมกันแล้วก็จะมีพระ อริยะสียะสียามาตัสมือเป็นพระรเจ้าออกใหม่ oh ต่อไปนี่คือทําคําทํานายของพระรเจ้าในเรื่องของอนาคตของของโลกว่าจะเป็นยังไงคุณทิติวัตรครับกาบเบียนถามพระอาจารย์ครับอัปปนาสมาธิกับผวังขจิตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับคือผวังจิตนี่เป็นคํารวมนะจิตถูกผวางนี่ผวังก็มีสองแบบ พวางหลับกับพวังตื่นพอวังเตื่นก็เป็นสมาธิพวังหลับกเ็เป็นการหลับคือไม่มีสติหรือถ้าเข้าพอวังโดยมีสติก็จะเป็นสมาธิถ้าเข้าพอวังโดยไม่มีสติก็จะเป็นการหลับคนที่ไม่ฝึกสติเวลาเข้าพอวังก็จะหลับกันคุณสมพรครับ โยมจะทราบได้อย่างไรว่าโยมมีภูมิธรรมแต่การเก่ามากน้อยเพียงใดมีตัวใดเป็นตัวบ่งชี้เป็นตัวบอกตัวชี้วัดได้บ้างเกรงว่าจะเป็นไปได้สูงเอามากๆเหมือนกันว่าจะขบคิดเอาเข้าข้างตัวเองซึ่งเป็นไปได้สูงเอามากๆเช่นกันน้องกับขอคาแนะนำพระอาจารย์ครับเม่เราอยู่ที่ความยากง่ายของเราของการทำ <S <S เป็นทำทางนี่ทำยากไหมฟัดเราจะฟัดเหมือนกัครั้งนี้คิดแลงที่ดีหรือเปล่า เราฟักในเต็มที่เลยพอเริ่มทำบุญทำทานมีเท่าไหร่เท่ากันแต่เรื่องซื้อของอยา่างอื่นให้กับตัวเรากับคิดมากจาเป็นไม่จําเป็นไม่จําเป็ น, ปนก็ไม่ซื้อมีเป็นลักษณะของคนที่มีทานบารมีติดตัวมาพร้อมที่จะเสียสระแบกปันจับสมบัติเข้าของเงินทองให้แกผ่ผู้แต่คนที่ไม่เคยทําบุญทำทานเลยเนี่ยไม่เคยเลยเนี่ยแสดงว่าไม่มีมาไม่ติดตัวมาเลย เมื่อไรจะทำแต่ละครั้งนี่ต้องเหมือนนีก็ถูกบังคับอะไเป็นไฟบังคับเน mm ี hmm. ่งไปอยู่ในพอดีไปอยู่ที่ไหนเขาเรียร้ายกันอ่ะ mm hmm. เขาเอาขันนอน อ, อะไรมาก็ต้องควักใส่ก็ไปเล่นลักเพื่อไม่ให้เสียมารยาอันถ้าโดนปกติแล้วถ้าไม่มีใครมาเรียร้ายไม่มีใครมาบอกวรนี้ก็จะไม่ทำเลยก็มีอันนี้คือดูดูตัวอย่างคือความยากง่ายของการกระทําทานศีลภาวนารักษ า, าศีลง่ายไหมหรือยาก ภาวนาง่ายหรือยากอันนี้มันจะบอกบอกว่าเรามีของเก่าม า, มากน้อยเพียงใดคุณนัชชาครับยืมเงินแล้วยังไม่ได้คืนแต่เจ้าของเงินตายก่อนเราสามารถทำบุญอุทิศกุศลให้ได้ไหมคะหรือต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วยมยังจะเป็นหนี้เจ้าหนี้ในชาติต่อไปอีกไหมคะก็วควรจะไปให้ทายาทของคนตายถ้าเขามีพี่มีน้องมีอะไรก็ก็ บอกว่านี่ก็เยื้องเนของของผู้ตายมาก็ขอคืนให้กับเขาไปแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีทา ย, ยาทไม่มีใครเลยอันนี้ก็ จ, จะต้องเป็นหนี้เขาไปต่อไปก่นอนเราจะไปให้คนอื่นเขาก็ไม่เหมือนก็ไม่ได้ให้เขาเแต่ก็เป็นไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการชอบโกงใดๆเพราะามันเป็นเรื่องของสุดวิสัยไป น, นั่นเองก็ไม่เป็นบาปกรรมอะไรมากมายคนะเพราะเราไม่มีเจตนา พงแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ชดใช้มาเข้าข้อตาไปเสียก่อนคุณสมพรครับการที่เราจะดูว่าคนคนนั้นประสบความสาเร็จหรือตัวโยมีความสำเร็จในชีวิตโยมต้องใช้เกณฑ์อะไรมาพิจารณาความสำเร็จในทางโลกกับตามธรรมมีความเหมือนมีความต่างกันอย่างไรครับก็ดูความสุขความสุขใจนะครัมีความสุขใจมากมความทุกน้อยแล้วก็มีความสาเร็จมาก ถ้ามีความทุกข์มีความสุขน้อยมีความทุกข์มากก็แสดงว่ามีความร่ม้ ม, มเหลวมากคุณแพทย์ครับกบเาเบรียมอีกข้อค่ะการพิจารณาปัญญาควรทำหลังได้อัปปนาสมาธิก่อนใช่ไหมคะเวลาคิดถึงความตายของตนเองและคนอื่นรู้สึกเศร้าหมองหดหู่ท้อแท้มากค่ะใช่มันกถ้าคิดไม่ได้ก็นอาศัยมีสมาธิก่อนถึงจะคิดได้แต่ในบางการณีถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆเป็นเจอไฟบังคับ แก่การแก้ความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียเราก็อาจาจะลองใช้ปัญญาดูก็ได้ว่าพระเจ้าสอนว่าเราต้องมีการทัาทายจากการเป็นธรรมดาแต่ถ้าคิดไม่ได้พิจารณาไม่ได้จะ ก, กลัวจะเศร้าสเสียใจก็ทําได้อย่างมากก็พยายามสวดมนต์แล้วฝึกสติไปให้หยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีที่ทําให้เราเศร้าไปก่อนชั่วคราวแต่อย่าไม่ได้จะทำไม่ค่อได้ถ้าเราไม่ฝึกไม่ไม่ซ้อมมาก่อน พอให้พุดทอพูดทอมันพุดไม่ออกพอให้นั่งสมาธินั่งไม่ได้เพราะเขา่นี้มันต้องฝึกซ้อมไว้ก่อนเหมือนกับการหัดไหว้น้ำอย่างเงี้ยถ้าไม่หัดไหว้น้ำไว้ก่อนพอถึงเวลาจะไหว้น้ำเราก็โดดลงไปในน้ำเลยจมน้ำใช่ไหม คุณ c ีครับหากเราตั้งใจปฏิบัติที่บ้านไม่ได้ไปปฏิบัติที่วัดโดยปฏิบัติตลอดทั้งวันนั่งสมาธิต่อด้เดินจงกรมติดต่อกันทั้งวันจนถึงเวลานอนโดยไม่ทําอย่างอื่นเลยกับเราปฏิบัติเหมือนว่าเป็นชีวิตประจําวันที่ทําสมาธิเดินจงกรมสักสามชั่วโมงและทําอาหารทํางานบ้านโดยมีสติรู้ตัวตลอดปฏิบัติโดยไม่ได้อยู่ในท่าสมาธิแต่รู้ตัวพอ ง, งานเสร็จก็ทําสมาธิเดินจงกรมใหม่ควรปฏิบัติแบบไหนดีคะตึงไปไหมหย่อนไปไหมคะ คือพยายามนั่งให้มากที่สุดเท่าที่จะนั่งได้ถ้ามีภารกิจอย่างอื่น<ๆ>ก็ทําไปด้วยสติไปก่อนเพราะไม่มีไม่มีภารกิจให่เราต้องทําอะไรไม่ต้องเคลื่อนไหวก็ให้นั่งสมาธิไปเพราะความสงบนี้จะได้มากที่สุดในทา่านในการนั่งสมาธิการเจริญสตินี้ได้ความสงบเพียงครึ่งเดียวไม่ไม่เต็มร้อย <c oughs> คุณอภิชาติครับกลาวเป็นถามพระอาจารย์ครับ ข้อที่หนึ่งนะครับวิญญาณคืออะไรครับเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดในคันมัรดาอย่างไรครับวิญญาณนี้มีความหมายสองความหมายด้วยกันวิญญาณที่เราเข้าใจกันส่วนใหญ่ก็คือเวลาร่างกายตายไปจิตที่ครองร่างกายนี้ mm. ก็แยกออกจากร่างกายไปพอจิตที่ไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกจิตทังนี้ว่าดวงวิญญาณแทนแต่เป็นจิตตัวเดียวกันจิตที่มีความรู้สึกนึกคิด จิตผู้ที่ผู้กระทาบุญแล้นกระทาบาตรล่าจะต้องไปรับผลบุญผลบาตในช่วงที่ไม่มีร่างกายก็จะไปเกิดเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆชนิดถ้าเป็นผลของบุญก็ได้ดวงวิญญาณของของเทวดาของพรหมถ้าทําบาตมากกว่าทำ บ, ทกกทำบุญก็จะได้ดวงวิญญาณของเปรตของของผีไปแล้วพ อ, อผลของบุญของบาสนั้น ไม่สามารถสผมผลได้ตอนนั้นก็จะไปได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่ไปเกิดใหม่นี่คือดวงวิญญาตคือดวงจิตพอได้พอได้ร่างกายแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อจากดวงวิญญาณมาเป็นจิตใจเหมืนีดยมเนตอนนี้เราเรามีดวงวิญญาตแต่เราเรียกมันว่าจิตใจคือผู้รู้ผู้คิดนี่นะเราตอนนี้เราจะทำอะไรหน้าเราต้องคิดก่อน เมื่อเาคิดแล้วเราก็สั่งการไปที่ร่างกายให้พูดอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้ร่างกายเป็นเพื่อผู้รับคําสัง่งจิตใจเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวแต่ตอนร่างกายตายไปจิตใจนี่ก็เปลี่ยนชื่อเป็ น, นมืดดวงวิญญาณท่านั้นเองดูเดียวกันเหมือนผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว อ, อย่าเด้วผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานแล้วไปแต่งงานตอนที่ยังไม่แต่งงานก็เรียกว่านั่งสาวพอไปแต่งงานก็เปลี่ยนสถานภาพเป็นนาย แต่ก็ยังเปคนคนเดียวกนันนะครับมีเกินตรงก็คือวิญญาณที่เราพูดถึงกันคาถามทีส่สองครับความดับแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับนามรูปหมายความว่าอย่างไรครับอันนี้เราพูดถึงวิญญาณอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ใชวิญญาณที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ตัววิญญาณที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ไม่มีวันดับจิตใจนี้ไม่มีวันดับมีแต่เพียงกับเปลี่ยนชื่อจากจิตใจมาเป็นวิญญาณจากวิญญาณมาเป็นจิตใจ ส่วน so, วิญญาณที่มีการเกิดดบับนี่เรนเป็นวิญญาณที่อยู่ในอยู่ในจิตอีกทีหนึงเป็นเป็นความสามารถของจิตในจิต ท, ที่มีความสามารถอยู่สี่ช น, นิดคือสามารถคิดได้สามารถรับรู้จําสิ่ตงต่างๆได้จําได้หลายรู้สามารถมีความรู้สึกมีความรู้สึกสุขทุกไม่สุขไม่ทุกข์และมีความสามารถที่จะไปรับข้อมูล ทางตาบุกจะบกเรื่องกายจากทางร่างกายได้ดูที่ไปรับข้อมูลนี่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้มันจะเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหิงห้อยคือเวลามีรูปเข้ามาสัมผัสมันก็เริ่มทํางานพอรูปนั้นหายไปมันก็มันก็เปลี่ยนเป็นอีกรูปหนึ่งมันก็มันก็เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปพิกไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารูปแสงกีดลอดที่เข้ามามันมาแบบไม่ไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมนไง พอเปเลีปย่ยนรูปเปลี่ยนเสียงไปวิญญาณก็เปลี่ยนไปอีกชุดนึงไปเปลี่ยนเป็นชุดๆไปนี่คือวิญญาณที่เรียกว่าเกิดดับเกิดดับมายถึงมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามตามสัมผัสที่มารับรู้วันนี้สัมผัสเรื่องนี้ปั๊บเดี๋ยวมาคุยกับหมอก็สัมผัสอีกเรื่องนึงแล้วไปคุยกับคนขายไปเตี๋ยวก็สัมผัสอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิญญาณที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับขางเรื่องราวที่มาสัมผัสให้ลงวิญญาณรับรู้ แต่ดวงวิญญาณเองไม่ไม่ไม่เกิดไม่ดับเข้าใจไหมเวทนาสัญญาสังขารมันก็เกิดดับขึ้นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามสัมผัสสัญญาก็จําได้ตามสัมผัสที่มาให้เราสัมผัสสังขารมันก็คิดปรุงแต่งไปกับเรื่องที่มาให้สัมผัสเวทนาก็เปลี่ยนแปเปลี่ยนมาตามเรื่องที่มาให้สัมผัสแล้วก็มีสุกเวทนาทุกก็เวทนาไม่สุกเเวทนาคันตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ได้ยกวิจารเหมือนกัน แล้วไม่นานมาครั้งว่ามันมันจะดับมันไม่ดับมันของมันเป็นของที่อยู่คู่มาจิตที่ไม่ดับคำถัมนี้ต่อเลยครับอาจารย์คุณนัลเลมลครับขันท่าถ้าพิจารณาเขาก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมเจ้คะก็นั่นแหละร่างกายก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมมันมาจากนินน้ําลมไฟเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ยากไปส่วนเวทนาสัญญาสังขารเวทนาเราก็สังมันไม่ได้ มันก็ว่าไปตามเพลงบางทีมันก็เดี๋ยวมันก็เห็นรูปไม่ดีมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเห็นรูปที่ดีก็เกิดสุขขึ้นมาแล้วมันก็คิดไปในทางที่ดีไม่ดีตามเรื่องราที่มันมาปรากฏรับรู้นญญาก็จับเรื่องที่ดีไม่ดีไปตามที่มันมาสัมผัสของพวกนี้มันก็มันก็เป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนกับฝนตกฟ้าร้องเนี่ยฟ้ามันร้องเมื่อพอมีเหตุปัจจัยที่ทําให้มันร้องมันก็ร้องขึ้นมา มันจะลาบมันก็านลาบขึ้นมาตามมีเหตุมีปัจจัยให้เราพิจารณาขันเหล่า น, นี้ว่าเป็นเหมือนเหมือนฟ้าร้องเหมือนเหมือนฟ้าแลบเหมือนฝนตกแต่เนาะมันเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมที่เกิดดับเพื่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆอาจารย์ครับอย่างนั้นจิตก็เป็นอนัตตาเหมือนกันใช่ไหยครับก็ไม่มีอะไรตัวตนทั้งนั้นทุกอย่างไม่มีตัวตนสเปสธรรมาเ น, นาะตา ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติเป็นสภาวธรรมเป็นธาตุสรุปลงก็เป็นธาตุทั้งหกเลยจิตก็เป็นธาตุรู้ร่างกายก็เป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟภูเขาต้นไม้ใบยาก็เป็นธาตุธาตุดินมากธาตุน้ำมากธาตุลมมากธาตุไฟมากบานทีก็รวมกันบ้างรวมทั้งสี่ธาตุบางทีก็แยกเป็นธาตุธาตุแต่ละอ่านไปเช่นน้ําก็เป็นธาตุน้ําเลยนะพักลมพัดนี่ก็เป็นธาตุลมตาม ความร้อยก็เป็นความร้อนต่างแต่บางทีมันมารวมตัวกันทําให้เกิดต้นไม้เกิดบหญ้าเกิดร่างกายของสัตว์ของมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็แยกออกจากกันมันไม่อยู่รวมกันไปตลอดเมื่อมันรวมแล้วมันก็พยายามจะแตกสามโอเคกันพยายามแยกออกจากกันมันจะจะกลับไปสู่ที่เดิมของมันแต่บางทีมันมีมันมีพลังของธรรมชาติมาบีบให้มันมารวมกันก็หมด เอาลงแล้มันก็พยายามจะแยกตัวออกจากกันแล้วเดี๋ยวพลังธรรมชาติก็บีบมันให้กลับมารวมกันอีกแล้วเรื่องของธรรมชาตินั้นมันไม่มีตัต่อทั้งนั้นครโยตนนุนเป็นสมมุติเรตามานั่งสมมุิกันแต่งขึ้นมาแต่งนิยายาขึ้นมาคุณหะหรือไทยมาศครับพระอาจารย์คะหนีมาเกิดคืออะไรคะมีจริงไหมคะ คำว่าหนีมันไม่มีหรอกม like ันมันมเกิดเพราะความอยากความอยากความให้จิตมาเกิดกันความอยากความโลภความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิกายบางเรื่องไปทำให้จิตเล่มมาเกิดกันที่นีจะเป็นการฆ่าตัวตายก็ได้เวลาฆ่าตัวตายก็หนีเพราะว่าร่างกายอันนี้มันไม่ตอบสนองความสุขโลกชีวิตนี้มันไม่ตอบสนองความสุขไว้หนีชีวิตนี้ด้วยการฆ่าตัวตาย นี่แล้วมันก็ต้อไปไปเกิดใหม่าีพอได้ร่างกายใหม่เดี๋ยวมันไมเจอความทุกข์แบบเดิมอีกมันก็หนีมันก็ฆ่าตัวตายดั้นทิธีวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องตัดความอยากให้ได้มาตัดความอยากแล้วมันก็จะไม่ไปเกิดใหม่แล้วเวลาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมันก็จะหายไป ไม่จำเป็นจะต้งฆ่าตัวตายคนที่ไม่มีความอยากไม่ไม่มีความทุกข์จะไม่มีไ ม, ม, ไ ม, ม, ไม่ไม่มีการคิดฆ่าตัวตายแล้วก็จะไม่มีการกำกับมาเกิดใหม่ต่อไปคุณปาริชาติครับกราบพระอาจารย์ค่ะเคยได้ยินว่าไม่ควรถวายสังฆทานหลังเที่ยงบางทีก็บอกว่าบาปาบด้วยค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆริงไหมคะขอบพระคุณค่ะเพราะมันเป็นคําพูดและเธอเยอะแยะไปหมดค่ะ ขอนี่ถวายพรได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักว่าวิธีถวายของแต่ละชนิดนี้ท่้งถวายอย่างไรคือของบางอย่างนี่พระรับได้แต่เฉพาะก่อดเทียงวันเช่นอาหารของกินทั้งหลายเนี่พระเก็บเก็บสะสมไว้ไม่ได้ต้องรับแต่เฉพาะรับประทานในวันนั้นเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีของของแห้งของที่เก็บไม่ได้ที่เราอยากจะถวายให้ท่านใช้ไว้ในวันวันที่บางทีบินลำบากแล้วอาหารไม่ค่อยมี เราก็ถวายอแบบหนึ่งก็คือท่านเราก็จะถามท่านว่าอยากจะถวายของแห้งแบบนี้จะให้ทําอย่างไรท่านก็บอกว่าเอาวางไว้ทําเนี้แล้ว เ, เดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เก็บไว้ให้แล เ, เดี๋ยวเวลาต้องการลูกศิษย์ก็จะมาจัดการให้ถวายได้แต่ต้องรู้จั ก, กวินัยของพระว่าท่านรับอะไรได้ในเวลาไหนเวลาไหนรับไม่ได้เท่านั้นเองของทีถวายได้หมดเลยถ้าเป็นของที่ที่สุดเจริญคือของที่เป็นประโยชน์นะพูดไ ง, ไง่ายๆครับ ทำได้เช่นปปัจจัยใจสี่นี้ยได้หมดได้ทุกเวลาเพียงแต่ว่าต้องถามท่านว่าจะถวายในลักษณะไหนแบบไหนท่านถวายแบบรับกับมือหรือถวายแบบไม่นับกับเลยคุณกมลนิตครับถ้าเป็นมิจฉาสมาธิอยู่เคยแก้โดยใช้การวิ่งแต่ตอนหลังเหมือนเศษติดการวิ่งจนร่างกายทนไม่ไหวจิตก็กระเจิดกระเจิงแก้ยังไงคะ ยังไม่ทราบเลยวิจารสมาธิคุณได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่เป็นของง่ายในวิจาสมาธินี่ยมันไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องของของของบารมีพิเศษของคนบางคนนะนั่นเองคนที่จะได้วิจาสมาธินี้ต้องมีสติที่สามารถผ่านอปปนาสมาธิให้ได้ก่อนถึงจะได้วิจาถึงจะได้ปอุปจารสมาธิยังความนั่งคิดว่าคงจะไม่ใช่หรอกที่คนว่าวิจาสมาธินี้ อาจจะเป็นวิจฉามิจสัย ม, มากกว่าอาจจะไปติดติดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นมิสัยนั่งแลหลับอย่างนี้แล้วก็เลยวอร์ิเป็นวิจฉาสมาธิก็ได้นั่งแล้วคอพับแล้วก็ชื่อว่าตัวเองอยู่ในสมาธิก็ได้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นการวิ่งจนนัา่นการทำไม่ไหวจิตก็เลยกระเจิกระเจกไปก็ะเจิก็ะเจดิเจดเพาะเไม่มีสติคอยควบคุมจิตนั่นเองถ้าวิ่งแล้วมีสติคอยควบคุมก็จะไม่กระเจกกระเจิดยังไม่ว่าจะทําอะไรนี่ ถ้าจะให้จิตนื่งสงบเลยไม่กระเจิดกระเจิงก็ต้องมีสติคอยควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาคุณแสงประนีครับน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะขอสอบถามว่าตอนนี้ได้ฝึกภาวนาพุโทโธอยู่ตลอดเวลาหรือเมื่อคิดมากพยายามดึงสติกลับมาที่พุโทโธรู้สึกว่าความคิดฟุ้งซ่านน้อยลงแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าคะพยายาให้มากขึ้นจนกว่าจะนั่งสมาธิแล้วจิตรวมเป็นอันปปนาสมาธิได้ ได้แล้วก็จะรู้เองมันต้องทําอะไรต่อไปเพราะมั น, มนได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วมันจะติดใจมันจะไม่อยากจะทำอะไรอย่างอื่นมันอยากจะปฏิบัติอย่างเดิมคุณอัจฉริยะครับสมถะสมาธิกับวิปัสสนาสมาธิต่าง ก, กันอย่างไรเจ้าคะสมถะคือการทําจิตให้นิ่งสงบวิปัสสนาคือการสอนใจให้ฉลาดให้เห็นความเป็นจริงของชีวิต ว่าเป็นตายรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราคุณมาลีบอกว่าเวลานั่งสมาธิลูกจะตั้งจิตกับลมหายใจเข้าออกเพียงเท่านั้นถูกต้องไหมเจ้าคะได้ตั้งจิตให้อยู่ที่ปลายจมูกอย่าตามลมเข้าอย่าตามลม อ, ออกให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกหรืออยู่ที่กลางหน้า อ, อกก็ะด้แล้วแต่เราจะชอบแบบ คุณวรัตยาครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ช่วยอธิบายคำสอนของพระพูดองค์ด้วยค่ะสัพสิ่งทั้งหลายมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่เป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาทุกเท่า น, นั้นที่เกิดทุกเท่า น, นั้นที่ดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับไม่ใช่สตรีไม่ใช่บุรุษไม่ใช่เราไม่ใช่เขาครับก็แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นบุเป็นสตรีเป็นอะไรเราไปสมมุติมันเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมหรือเป็นธาต ท่าทั้งสี่ท่า 5, ทั้งห้าทั้งหกนี่เป็นการว่าสิ่งเหล่านี้มันมีการรวมตัวขึ้นก็เรียกว่าเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ในระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะตัดเช่นร่างกายของเรานี่มันก็เป็นการรวมตัวของท่าสี่ในด้านลมไปแล้วมันก็ตั้งอยู่ในอยู่อยู่ในสภาพของร่างกายนั้นได้ในระยะหนึ่งเช่นแปดสิบปีร้อปีแล้วเดี๋ยวมันก็แยกออกจากกันเป็นไปเป็นธรรมดาเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะ อยู่ร่วมกันได้ไปตลอดพราะมันมีพลังของธรรมชาติที่คอยรวมและคอยดึงกันให้มันแยกออกจากกันพลังอันไหนมันมากกว่ามันก็พลังรวมมากกว่ามันก็รวมแต่พอมันรวมแล้วพลังแยกมันก็ได้มากกว่ามันก็จะยากออกจากกันไปและเวลามันเกิดอาการเหล่านี้มันก็จะเกิดทุกข์พอเวลาเกิดมามันก็ทุกข์กันเวลาเกิดก็ทุกข์เวลาตั้งอยู่ก็ทุกข์เวลาดับไปก็ทุกข์ คุณภิญญาครับที่บ้านเป็นสวนมีพวกหอยกิ้งกือเยอะมากเวลาเดินทําให้เหยียบสัตว์เหล่านี้โดยไม่เจตนาจะผิดศีลข้อห้ามฆ่าสัตว์ไหมคะก็ถ้าไม่ได้ตั้งใจทําก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่ามันเป็นการเป็นการไม่มีสตินะซึ่งมันอาจจะเป็นทั้งโทษนะคุณคือมันอาจจะเป็นคุณเคือเราเหยียบแล้วเราไม่เป็นอะไรแต่ถ้าไปเหยียบงูเข้าหน้าจะโดนงู ก, กัดก็ได้ มันก็ต้องทําอะไรก็ต้องมีสติคอยระมัดระวังราวะว่าถึงแม้ว่าไม่มีเจตนาไม่ผิดศีลแต่มันก็ทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่เขาเสียหายหได้าผู้ที่ถูกกระทําได้ก็อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมกันได้ว่อเราถึงแม้ไม่มีเจตนาแต่ เ, เราไปทําให้เขาเสียหายก็าก็จะต้องโกรเราเปลี่ยนเราอาจารย์จะเจ้ากรรมในเวรเราต่อไปก็ได้อาจารย์ขออีกสักสองข้อนะครับน่าสนใจอยู่ครับ คุณปุ้ยครับนักการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีคําถามเรื่องการทํางานบ้านไปสวดมนต์ไปอย่างนี้มันคือการอยู่กับปัจจุบันใหม่คะตอนนี้เวลาอยู่เฉยๆจะนั่งคิดพุดโธค่ะเพราะช่วงนี้ไม่ได้นั่งสมาธิเลยก็ได้ถ้าทํางานไป้็สวดมนต์ไปด้วยแต่ถ้าดีให้มีสติอยู่งานคืออย่างเดียวได้จะดีกว่าแต่ถ้ามันยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็จะสวดมนต์ไปแล้วก็ทํางานควบคู่ไปด้วยก็ได้ แต่ต้องเนี่ให้มีสติอยู่ตรงงานเลัก แ, แลว้วก็สวดมนต์เลิกการไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ได้คุณคํามีครับกล่าวในมหการพระอาจารย์ตอนนี้โยมสวดมนต์เช้าก่อนนอนทุกวันระหว่างวันเปิดธรรมะฟังบางวันนั่งสมาธิแต่จิตก็ยังไม่ค่อยสงบด้วยความที่เป็นคนเจ้าโทสะโยมควรใช้กรรมฐานแบบไหนคะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะคือเวลาเกิดโทสะก็ต้องใช้ความเมตตาประมาณนะครับ เป็เวลาเราโกรธใครเราก็ต้องให้อาภัยเขานี่คือความเมตตาผู้ที่มีความเมตตาย่อมไม่ถือโทษโกรธเคืองใครอันนี้ก็ใช้เวลาที่เกิดโทสะแต่ถ้าเวลาไม่เป็นไม่มีโทสะก็ใช้สติบแบบทั่วไปใช้พุทโธก็ได้หรือใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ใช้แต่เฉพาะเวลาเกิดโทสะขึ้นมาหรือทําถ้าอยากให้ไม่มีโทสะเกิดขึ้นก็ต้องใช้ปัญญา ปัญญาจะสอนให้เรารู้ว่าความโกรธของเราที่เกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาทาอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่ทํำเราก็โกรธขึ้นมาถ้าเราไม่อยากโกรธเราก็ต้องอยากประยัให้เขาทาอะไรให้ถําหลักเราอย่าไปหวังอะไรจากใครให้ยินด <sh arp et> ีตามมีตามเกิดแล้วเราก็จะไม่มีความโกรธใครที่เราโกรธว่าเราหวังเราอยากให้เขาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่ทํำเราก็โกรธครับ ถ้ท่านไม่อยากจะโกรธเลยก็อย่าไปหวังอะไรจากใครขมันหมดหม ด, ม, ด, ม, ดมีอีกเยอะเลยครับอาจารย์ <laughs> แต่ว่าเลยเวลานะครับพอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆที่ฟังทำอยู่ใน f a c e b o o ก662คนใน YouTube 559คนและในคลับเ o าส e 16คนนะครับวันนี้มีคนฟังร่วมกันอยู่ 1,237 คนครับ ก็ขออนุมโมทนากับท่านที่มีจิตศรัทธาที่ตรียมาร่วมฟังเทศความธรรมด้วยกันทุกคนก็คิดว่าพอสมควรเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ<อ>แล้วก็ขอลาคุณหนอและท่านผู้ชมผู้ฟังเพียงเท่านี้ แล้วถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเวลาเดิขมขอบคุณครับคุณครับอาจารย์ครับ